พอาจรกการย์ครับกลาวณภาษการครับผมเจารนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านรครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนธาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเมือ่อเช้าพระอาจารย์บินธบาตคนเยอะไหมครับผมส <4 80. S 2> ี่ร้อยแปดสิบโอ๊โหกว่าห้าร้อยขนาดวันนี้ไม่ใช่านวันนี้วันหวยหรวันนี้วันอวันมีวันถวยอออีกวันหนึ่ง อย่างนี้<ถ>อาจารย์ยังวาจะถามว่าเขาอยู่ในลำดับที่เท่าไหรอ่อ๋อเอาเลขมันต้องถูกสักเลขหนึ่งนะครับอาจารย์แล้วก็บอกตามลำดับเขาแล้วนับมาถึงเขาเบอร์เท่าไหร่แล้วก็บอกเข้าไปครับผมก็ดีครับชีวิตมีสีสันครับอาจารย์ <laughs> มีรุ้นบ้างมันสนุกดีครับ <laughs> <laughs> อาจารย์ครับวันนี้ก็ตั้งหัวข้อนี้เลยครับ มีชีวิตที่ไม่มีทุกข์ครับอาจารย์ครับเพราะว่าคนที่ผมเห็นว่าไม่มีทุกข์ก็คือพระอาจารย์ครับขอบคุความเมตตาพระอาจารย์ให้ปัญญาพวกเราด้วยครับผมก็ดามาริยสัจสี่ท่านก็แสดงไว้แล้วว่าทุกเกิดจากปัญหาความอยากอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยก็ต้องเลิกไปให้เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบแทนแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากได้ราำยสรรเสริญนก็ พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายหลักเป็นทุกข์ส่วนอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายหร อ, อยากไม่ให้ราบยสรรเสริญสุกเสื่อมก็พิจารณาว่ามันก็เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันจะเสื่อมก็ต้องยอมรับมันถึงเวลามันจะเสื่อมร่างกายถึงเวลามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไปห้ามมันไม่ได้นั่นก็ฝึกกรร ฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้เป็นอเวขาไว้ถ้าทำใจอเวขาแล้วก็จะวางเฉยได้พอพิจารณาด้วยปัญญาก็จะระงับความอยากต่างๆได้เพราะเห็นว่าเวลาอยากแล้วมันจะทำให้ใจทุกข์ใจไม่สบายก็อยู่กับความเป็นจริงไปจะเจ็บก็อยู่กับมันไปจะแก่ก็อยู่กับมันไปจะตายก็อยู่กับมันไป ดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้าใจมีความสงบมัเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่แล้วมันไม่ต้องการอะไรมันอยู่ได้ก็มีเ<ม><ม>ท่านี้แหละอยู่แบบไม้มีความรู้ก็อยู่แบบไม่มีความอยากแต่ก็ไม่ได้ไม่เขาไมได้หมายความว่าจะเสพลูกเสียงกิ่นแล้วไม่น่าก็ยังเสพอยู่ใครถวายเป๊ปซี่มาก็ฉันได้ก็รับมาฉันได้ ใครถวายอะไรมาแต่ใจไม่ไปสรรหาไม่เป็นนึกถึงมันไม่ได้ไได้อยากกินมันไม่อยากจะดื่มมันอะไรมาตามมีตามเกิดก็เสดได้รสชาติมันก็ยังอร่อยได้เหมือนเดิมไหมครับก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็เป็นขันมนัแต่ใจไม่ไปติดพันเหมือนเมื่อก่อนนี่ท่นเองชั้นเสร็จก็ผ่านไปแต่ความอยากจะอยากจะกลับไปชั้นใหม่มันไม่มี พอมันรู้ถ้เกิดความอยากแล้วมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเวลาอยากแล้วไม่ได้เศกเนก็ต้องรู้จักหัก้าวความอยากหาเศกทุกอย่างได้แต่อย่าไปติดมันนั่นเองครับแล้วปุถุชนนี้พอจะฝึกฝนไปได้ถึงขั้นไหนครับอาจารย์ครับก็วันพระก็เรามาถือสิญแปดดูกันนะอันนี้นนก็ขั้นของปุถุชนพระเจ้าสอนให้เรามีวันพระเพื่อเรามาฝึก มาตัดการมาตัญหากันด้วยการถือศีลแปดวันพระเช่นตรงนี้จะไม่นอนครับถ้ามีแฟนก็ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่หาไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้เพื่อเลี้ยงเ้งเลงร่างกายเอาแค่เที่ยววัดก็พอหลังจากนั้นก็ไม่กินแล้วาาก็อุปการดูหมอสอบบัตรแพทย์ต่าง อะไรที่จะเป็นความบันเทิงกีฬาก็ได้อะไรก็ดีตัดมันไปมาดูเนี่ยคืนนี้มาฟังเทศ ฟ, ฟังทธรรมกันมาดูสนทนาธรรมน้ดูดูพุทธประวัติก็ได้ดูอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธรรมะต่างๆนี่ยังดูได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องหาความสุขจากการสนสวยความงามของร่างกายร่างกายแบบ เรียบง่ายแล้วก็นอนไม่ให้ น, นอนมากเกินไปอย่านอนบนเตียงที่มันสบายเตียงสําราทมีภุ้าหนามันจะนอนมากเกินไปถ้านอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆเพราะร่้งกายได้รักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตืน่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่นั่งต่อไม่นอนต่อจะลุกขึ้นมาภาวนาแทนเพราะมันนอนนั้นไม่สบายอันนี้ก็คือมาตรการของการ เปลนการหาความสุขจากการเสกการมาหาความสุขจากการภาวนาจะนอนสมถะภาวนาจะนอนสติเดินจงกรมนั่งสมาธิไหวพระสวดมนต์ถ้านอนสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนถ้านอนสมาธิได้ดูลมได้ก็ดูลมไปเลยด้าแต่คำังของสติของแต่ละคนหาความสุขจากการเข้าเข้า เข้าฌานขั้นต่างๆบวชตั้งแต่ ว, วันหนึ่งก่อนหน้าทิตย์ละวันวันวันพระแล้วถ้าเกิดช่วงดีได้ผลนด้ว่าจิตสงบได้คันทิกะสมาธิขึ้นมาแม้แต่ช่วงเงียบดิ้น ม, มันก็จะทําทให้เกิดมีความยินดีในความสงบเพราะลดถึงความสงบนี้มล้วกมรอดด้วยของความสุขทั้งปวง ก็อยากอยากจะทําให้อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอยากจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันอช่นเราหยุดทํางานสองวันเสาร์ที่เก้าสองวันเสาร์ที่นี้ไปภาวนาแทนเมื่อก่อนอาจจะไปไปหาความสุขไปช้อปปิ้งไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ตัดไ ป, ไปเปลี่ยนวิธีหาความสุขแล้วพอมันได้ผลดีมากขึ้นมันก็อยากจะทํามากขึ้นเอง ต่อไปก็ จ, จะหาวิธีลดการทํางานลงเพื่อจะได้มีวันเวลาว่างให้กับการปฏิบัติมากขึ้นทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็เพิ่มวอนไปเรื่อยๆต่อไปมันก็อาจจะขอปฏิบัติทุกวันแล้วไม่ทํางานทําการเพราะถ้าเราละมือหาความสุขทำนี่แล้วมันไม่ต้องใช้เงินทองนี่ยังไม่ค่าใช้จา่ายมันจะลดทั่วภาคเลยมันต้องใช้ไม่ต้อง ออกไปเที่ยวนอกวันแต่ถ้า่ยนี้มันหมดเป็นพันนะเป็นพันเป็นหมื่นแต่ถ้าไม่ออกไปนี่พันเงินพันเงินหมื่นก็อยู่กับเราเก็บไว้เป็นจค่าใช้ใจ่ายค่าอาหารค่าปัจจัยสีก็พอเพียงแต่จะเห็นว่าเราก็มีเงินเก็บพอสมควรถ้าเรากินกินมาละลายนี่มันกินไปจํนวันตายเงินสะสมมันก็ยังมีเหลืออยู่เนะี่ยก็ออกจากงานได้ ตอนที่ลาลาออกจากงานเรามีหกพันแม่ม่ก็เก็บอยู่หกพันอ๋อหกพันนี้น่าจะอยู่ได้สักปีเนึ่ยเราคำนวณหนึ่งเดือนหกพันปีนี้เดือนห้าอครับอาจารย์อ่าวันไหนมันมีวันวันละยี่สิบอไม่ถึงยี่ิบมัยี่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทก็ทำไมนั้นกวยเตี๋ยวชาบ้าสองบาทข้าวข้าวมันไก่ข้าวอะไร แค่ชาละสามบาทเนี่ยกินสองชาห้าบาทก็อยู่ได้วันกินื้อยเดียวตอนนั้นปีหนึ่งแปดครับอาจารย์ปีหนึ่งเจ็ดตอนนั้นปีหนึ่งเจ็ดบวชปีหนึ่งแปดเราลวออกจากงานต้นปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็ปฏิบัติทำอยู่ทั้งปีเราไม่มีผุกแล้วเงนินหกพันก็พออยู่พอกินแต่เราต้องยิงต้อง ต้องต้องภาวนาเป็น น, นะต้องเข้าสมาธิได้เป็นอยู่ได้ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้มันจะทรมานแต่ก็ไม่ใช่เพราะมันจะเข้าได้ทุกครั้งนั่นบางทีมั น, นก็เลือด ม, มันก็หลอกให้เราเพลไปคิดถึงกางกระสุนได้เหมือนกันทีนี้ก็ยังหลอกให้เราอยากเรกไปเที่ยวข้างนอกบ้างไปดูนุ่นดูนี่อะไรไปทีก็สู้มันไวก็ออกไปออกไปแล้วก็ออกไปแล้วก็เท่านั้น ก็กลับมามันก็เป็นบทเรียนสอนใจว่าอย่าไปหลงมันหลอกออาไปไปก็ความสุขมันก็ไปเดืิดปดกลับมามันก็เหมือนเดิมสู้ภาวนานดีครับทำใจท้งหมดให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันที่รู้ว่าบวชได้แล้วเพราะมันใจให้บวชอยู่วัดป่าได้แล้ว ต้องหาวันที่มีแต่การปฏิบัติงาน้าวัาที่มีกิจกรรมนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปถ้ามีกิจนี้มาในงานส่วนงานศพหรืออะไรต่างๆหรือว่าที่มีการกอร่อสร้างที่พระจะต้องไปเป็นพนักงานก่ อ, กอรสร้างก็อย่าไปบวชเสียเวลางานของพระคืองานภาวนางานสร้างมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปสร้างโบูสร้างเจดีย์เทาไรต่างๆ อันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของญาติโยมผู้มีศรัทธาเขามีเงินไปจ้างช่างมาสร้างให้ได้เราไม่ต้องไปช่างเสียเวลาอาจารย์ครับอย่างที่บ้านตาดก็ไม่มีการกอบสร้างเลยใช่ไหมครับสมัก่ไม่มีเลยยกเว้นว่า น, นานจะมีความจำเป็นต้องสร้างกุฏิเพิ่มทั้งหลังนี้ท่านก็จะมีกรอบเวลาทําให้เสร็จภายในเดือนสองเดือนแล้วก็ให้พระช่วยกันทําไม่ให้ชาวบ้านไม่ให้ช่างเข้ามา บางทีมีชาวบ้านเข้ามามันก็มารบกวนความสงบของภายในวัดได้ท่านก็เลยไม่ได้ยอมจ้างคนภายนอกเข้ามาแต่ตอนนั้นเมื่อมีการกีควาจำเป็นต้องสร้างสร้างกาแพงรอบวัด น, นี้ท่านก็ทนก็ให้จ้างคนงานมาชชาวบ้านมาทำให้แล้วท่านก็ไมพาพระเด่นไปทําให้พระเด่นภาวนานอกจากมีท่านปัญญาท่านเป็นหัวหน้าวิศวกรท่านก็ไปตรวจงาน อาจารย์ก็เป็นวิศวกรนะครั บ, ต, บตอนนั้นเราตอนนั้นเราถือว่าเราเป็นพระเราไม่ไม่ไ ม, มีประสบาการณ์ด้วยไม่ได้ทํางานทางวิศวกรจบมาก็ไปทํางานเป็นเจ้าผู้จัด ก, การร้านขายให้ติมครับผมแค่เริ่มก็มีความสุขวท่านพระอาจารย์ความทุกข์ก็หายไปเยอะแล้วครับพระาระฉะนั้นถือว่าปัญหาเราอยู่ที่ความอยากก็เลยต้องพยายาม หาวิธีสู้ความอยากหาเครื่องมือนครับเครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยวิธีที่เราจะสร้ า, า, า, งางความสุบในรูปแบบหนี้แล้วเราก็จะสามารถอฝืนความอยากต่างๆได้ครับ <c oughs> พรบประคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามจากของเพื่อนๆบ้าง น, นะครับคุณว่นครับขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความ ปุปประธานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ครับก็ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและความรู้สึกและคิดเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เช่นร่างกายนี้เราคิดว่าเราควบคุมมันได้ใช่พหมเราชอบสั่งให้มัน ให้มันแข็งแรงให้มันทำนู่นทำนี่ในบางส่วนเราก็บังคับมันได้สั่งม่ได้ใช่ไหมันให้มันเดินให้มันยืนให้มันนั่งแต่วันดีคืนดีเวลามันเป็นนามภพกรรมภาพขึ้นมนก็สั่งมันไม่ได้นะเนีแต่เราไม่มองอย่างนี้เราคิดว่าเราสามารถควบคุมสั่งร่างกายให้ทำอะไรตามความต้องการของเราได้พอมันไปไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้สั่งไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหม เกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่เป็นลำบากเพื่อนอภัยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ไม่สามารถทําอะไรเองได้เจะรู้สึกทุกข์มากเพราะความอยากในใจยังมีอยู่อย่างอยากไปนน่นมานี่อยากทำโน่นอยากทํานี่อยู่แต่ร่างกายมันไม่ตอบสนองความอยากนะแต่ถ้าเราปล่อยวางเราพิจารณาว่านี่ร่างกายมันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแล้วมันดีสี่วันไข่ อะไรก็เกิดขึ้นได้กับร่างกายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เด็กก็มีบางคนกามีโรคภัยไข้เจ็บตอนแกแ่ก็มีมันไม่แน่นอนแต่มันต้องเกิดแน่นอนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายก็ต้องอย่าไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราของเราอย่าไปคิดว่าเราจะสามารถควบคุมบางครั้งให้มันทำตามที่เราต้องการได้ไปต่อ ความรู้สึกก็เช่นเดียวกันความรู้สึกก็เป็นเป็นนามะขันส่วนรูปประกานี้คือร่างกายนามะขันนี้เราพิจารณาความรู้สึกตัวเดียวก็พอเพราะมันมาเป็นทีมสุกทุกไม่สุ ก, ไ ม, สกไม่ทุกความรู้สึกมันก็มาเกิดจากเกิดจากวิญญาณขันที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสทศถาะเข้ามาแล้วก็สัญญาขันก็มาแปลความว่าเป็นรูปอะไรรูปที่มีคุณมีโทษรูปที่ ให้เราให้ความสุขกับเราไม่ให้ความทุกข์กับเราอันนี้กันสัญญาไปทําหน้าที่แล้วพอเกิดเกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็สังขารก็ปรุงแต่งสุขก็อยากจะได้ทุกข์ก็ไม่อยากจะได้มันก็เลยทําให้เราไปควบคุมบังคับมัไม่ได้แล้วเราเราจะไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวก็ไม่ได้สังขารยันให้มันสุขอย่างเดียวแต่ วินามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์สลับไปเปลี่ยนไปตามภาวะที่มันไปรับรู้จากทางร่างกายมาด้วยร่างกายบางทีก็หิวเนี่ยมันทุกข์พอได้กินอาหารอิ่มันก็สุขแล้วพอมันไม่หิวไม่มันไม่อิ่มมันก็กลาการอย่างเฉยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยบางทีเราก็ควบคุมบางครั้มันได้บางทีเราก็ควบคุมบางครังมันไม่ได้ เรามาพิจารณาว่าเราจะ ok ทําไงเวลาที่เราสั่งมันไม่ได้สังให้มันผลิตแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันสุขอยู่ม่นไม่สุขเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราอยากเราว่าสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เราต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่กับมันทั้งสามสามรูปแบบได้จะสุขก็อยู่กับมันจะทุกข์ก็อยู่กับมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันไม่ต้องไปเปลี่ยนมันไม่ต้องไปบังคับให้มันมาหรือให้มันไป อันนี้เราชอบบังคับมันเวลาทุกว่าพยายามบังคับให้ดุไปเวลาสุขมากก็พยายามพยายามดึงมันว่าแม่ไนไปเวลามันเป็นเป็นกลางก็วิ่งไปหาความสุขกันเวลาไม่สุขไม่ทุกข์ก็พยายามวิ่งหาความสุขกันนี่คือความอุปทานมุ่มันม่นในขันห้าคือเรายังไปหวังหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางขันห้าอยู่นั่นเอง อาศัยการวาดปัญหาเพราะว่าปัญหาพี่เพราะว่าัญหาเป็นตัวที่ผักลักให้เราไปยึดไปติดกับขันหา้าถ้าเราถอนขัดความอยากต่างๆเรานี้ออกไปได้เราก็ไม่ต้องไปยึดติดกับขนันห้าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรก็ก็ยอมรับกับสภาพได้เวทนาจะสุขจะทุกข์ไม่สมุขไม่ทุกข์ก็รับสภาพได้อยู่กับมันไปจนกว่า ม, มันจะสิ้นสุดลง ร่างกายตายไปขันห้าก็ยุติลงแต่ขันสี่ขันสี่ก็อยู่ในจิตไว้กับจิตมีคนเพื่อนๆถามว่าของที่เราทําบุญไปแล้วถ้าตายไปแล้วเราจะได้กินได้ใช้ของที่เราทําบุญไปหรือเปล่าครับคือมันไม่ได้เป็นของที่เราจะได้กินได้ใช้มันเป็นบุญบุญก็คือความสุขใจเอ็งใจ ซึ่งมันจะนำมาในรูปแบบของการจินตนาการของใจเรานั่นแหละเวลาเราตายไปเราไม่มีร่างกายแต่ถ้าเราหิวอาหารอะไรเนี่ยใจก็จะทิมจิตนาการถ้าเรามีบุญมันก็จะผลิตอาหารที่เราชอบให้เรากินมันเป็นแดนเนตเวลาที่เราตายไปเนี่ยเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยจิตล้วเข้าสู่แดนเดนื้มเมตเข้าสู่แดนของความฝัน ฝันดีก็เพราะบุญเราทําไว้ทําให้เราได้ฝันดีฝันร้ายก็เกิดจากบาป ท, ที่เราทําไว้ฝันว่าเราได้ไปกินไปเที่ยวไปกินเอเลยาหารต่างๆที่เราถูก อ, อกถูกใจอันนี้ก็เป็นอันนี้สองของบุญที่เราทําไว้แต mm ่ถ hmm. ้าเราฝันว่าไปเจอเหตุการณ์ร้ายแรบุญทำบุญเหตโหได้หน้าบาดเสียวหน้าหวาดตัวอันนี้ก็เป็นเกิดจากบาป ท, ที่เราไปทําไว้ โลกทิพมันเป็นโลกของเดนนะี่โลกของความฝันนอกของความเนลมิตจิตนี่เรเป็นผู้เนลมิตเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อเสกในขณะที่ไม่มีร่างกายอาศัยมนุหรือบาตเป็นผู้ที่มาผลิตเหตุการณ์ต่างๆดีหรือไม่ดีเช่นคนที่เคยไปทํทาทําบาปทำสงฆ์ามนี่ยไปต่อสู้กัน เวลากรมมาบ้านไม่ได้อยู่ในสรงคารามันเทียง ฝ, ฝันฝันไล่ไยู่เนื่อยฝันว่ไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ใครอยู่ต่อสู้กันฆ่าฟันกันมันถูกฝังอยู่ในใจเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปไปกระทำเนมันมันถูกฝังว่าในสัญญาความจำได้ไมาูของใจนะพอใจไม่มีไม่อยู่ในสภาพะที่จะควบคุมการควบ ควบคุมการทํางานของเสิ่งนหนี้ได้มันก็จะมันก็จะถูกอำนาจของบุญของบาปสร้างเรื่องราวการต่ตางๆมาให้ใจ่ายได้สิพอเวลาเรานอนหลับนี่เราควบคุมไม่ได้นาน ม, มากขึ้นเมื่อเวลาเราตายนี่มันจะถูกบุญแะบาปเป็นผู้มาควบคุมอีกทีหนึงคุณดําครับบอกว่าเคยตกปลามาทําอาหารเมื่อเราตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นปลาเพื่อจะใช้กรรมหรือไม่ครับ ก็หลักกรรมนั้นก็แสดงไว้อย่างนั้นหรอกทำอะไรไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นข้าเขาก็ต้องกลับไปให้ท้องข้าเรามีผู้สอบถามว่าหนูฝึกสมาธิสวดมนต์มานานแล้วแต่จิตไม่นิ่งเลยเวลาปฏิบัติจับบาปไหมครับก <c oughs> ารปฏิบัติทําให้บาปหรอกเพียงแต่จะอาจจะไม่ได้ผลไม่ได้บุญเพราะเรายัางปฏิบัติไม่ถึงขีดที่มันจะทําให้เกิดผล คือสติเรายังน้อยเพราะเราเรามันริญสติเฉพาะเวลาที่เรามานั่งเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีกําลังพอที่จะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ถ้าอยากให้จิตรวมเป็นสมาธิต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่งฝึกทั้งวันเลยฝึกตังแต่เราเริ่มตาขึ้นมาถ้าเราฝึกแบบนั้นโอกาสที่จะทำให้จิตรวมนี่มันก็มีได้ง่ายได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามา มันจเจริญสติในช่วงที่เรามานั่งสมาธิอย่าไปอย่าไปหวังว่าจะได้ผลเลยเราก็จะทําให้ใจมันมันอยู่กับล ม, มนี่ก็ถ้าเป็นแทบตายแล้วมนอยู่กับลมได้สองสามมิมันก็ไปแล้วไปกับเนื่มันไปกับเนื่อนีน่เราต้องคอยหนึงใจไม่ให้ไปกับเรื่องราวต่างๆก่อนที่เรามานั่งสมาธิให้มันอยู่กับพุทโธนี่มันอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราฝึกนี้มาก่อนเนี่ยมานจะนั่งสมาธิโอกาสที่จิตจะรวม จิตที่จะได้ผลมันมันจะมีมากคุณดําครับพระอารหันยังมีทุกข์ทางกายอยู่หรือไม่ครับมีร่างกายของว่อาอะไรก็เป็นร่างกายของพุทธชนเหมือนกันไม่ต่างกันเวลาร่างกายป่วยก็ป่วยเหมือนกันอย่างพระอุตตเจ้าเวลาหิวน้ําำท่านก็หิวน้ำท่านก็บอกผ้านอนเราหิวน้ําำมันไปตักน้ำมาให้เราดื่ ผูกผ้าเรานอนพักทั้งวันนี่เป็นความทุกข์ของทางกายไม่ใช่ทุกข์ทางใจใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์กับร่างกายเลยแต่ร่างกายมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องมีทุกข์กเวทนาสลับกับสุขก็เวทนาสลับกับไม่สุขไม่ทุกข์กเวทนามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยการนําหมาแมวไปทํำหมันผิดศีลไหมครับและสัตวแพทย์ผู้ทําหมันจะผิดศีลไปด้วยไหมครับ ไม่ผิดหรอกเพราะไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไทำให้ทำร้ายเขาไปรักษาพยาบาลเขาคุณอัญชลีถามหลายข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับใส่บาตรในตอนเช้าถ้าไม่ถอดรองเท้าเราจะบากรไหมเพราะถือว่ายืนเสมอพระหรือถ้าถอดรองเท้าแล้วเราเหยียบกัรองเท้าไม่เหยียบพื้นได้ไหมครับคือการใส่บาตรนี่ถ้าเราเราใส่บาตรเพื่อ นอบน้อมแสดงความเคารพต่อพระที่เราไปใส่บาตรด้วยทีนี้ธรรมเนียมของโบราณเราต้องอยืนอยู่ที่ต่ํากว่าพระอนะพระท่านไม่ใส่รองเท้าแล้วเราใส่รองเท้าก็ถือว่าเรายืนที่สูงกว่าพระมันจะว่าบาปไมันไม่บาปเพียงแต่ว่ามันเป็นการการกระทาที่ไม่เหมาะสมไม่ไไม่ได้บุญเท่าที่ควรไม่ได้ความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่เป็นบุญอีอกกระทงนึต่างอย่างบุญที่เราได้จากการใส่บาตรนะเราเวาเราทําบุญบางที่เราทําบุญไหนอย่างด้วยกันไม่ใช่แต่เฉพาะใส่บาตรอย่างเดียวใส่บาตรแล้วเราสแสดงกิริยาอ่อนนอ้อมบางทีก็ได้บุญอีกนะอันหนึ่งนะเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้ไปด้นเลยข้อที่สองครับบางคนจะใส่บาตรแต่รูปที่ใส่ประจําสังเกตเหต็นหลายครั้งมีหลายคนที่พระ บ, บวชใหม่มาเดินบิณฑบาตจะไม่มีใครใส่ ส่วนใหญ่รอแต่พระที่บวชมานานๆแล้วใส่บาตท่านแทนส่วนตัวของที่ฉันรูปไหนมาก่อนก็ใส่ก่อนเพราะถือว่าได้บังลุงพระพุทธศาสนาเหมือนกันครับก็อั น, นี้ก็เป็นความแต่ความพอใจของผู้ใส่บางทีผู้ใจ พ, พอใจกับใส่กับของผู้คนที่บวชมานานเพราะว่ามีความมั่นใจมั่นคงกว่ากับพวกที่พระบวชใหม่งท้บวชแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ศึกไปแล้ก็มี เพราะกรณีบางทีก็เราไม่อยากจะสนับสนุนภาพแบบนี้ก็ได้อพวกที่บวชชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะใส่ข่าว้าที่เอาไม่เอาจริงเอาจังมากกว่าเหมือ น, นเหมือนเหมือนด็กนักเรียนที่เข้าโรเียนเนี่ยนะเข้าแค่ครึ่งเทอมแล้วก็ลาออกกับเด็กที่เรียนอยู่ต่อเป็นปีเป็นหลายหลเทอมเนี่ยเราก็อยากจะสนับสนุนคนที่มีความแน่าหนักหนานคงต่อการศึกษาลำเลียงอันนี้จะเหมือกันไหม เป็นธรรมชาติของคนนะที่อยากจะสนับสนุนคนที่เราเห็นว่าเป็นคนดีกว่าคนอีกถ้าให้เรื่องระหว่างคนสองคนคนนี้ดีกว่านคนหนึ่งแล้วถ้าเราเลือกเราต้องเลือกเราก็ต้องเลือกคนที่ดีกว่าข้อที่สามครับบาปของการผิดศีลข้อหนึ่งการฆ่าสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บาปเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันหรอสัตว์นี้บาปมันจะมากนะ้อยอยู่ที่คุณของของคุณประโยชน์ของสัตว์ ว่ามันมีคุณประโยชน์มากน้อยกับเราถ้ามันมีคุณประโยชน์มากมันก็จะมีโทษมากถ้ามีคุณประโยชน์น้อยมันก็จะมีโทษน้อยใส่บาดไปแล้วไม่ได้กรวดน้ำบุญยังอยู่กับเราไหมครับอยู่ถึงแม้เรากรวดน้าแล้วก็บุญส่วนใหญ่ก็อยู่กับเราบุญที่เรากรวดน้ำไปนี่มันเป็นบุญส่วนย่อย คำถามต่อเ น, นี้ครับอาหารที่เรานําไปถวายพระและอุทิศให้พ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วท่านจะได้รับบุญนั้นจริงหรือไม่ครับก็อยู่ที่สถานะภาพของท่านว่าท่านอยู่ในสภาพที่รอรับบุญหรือเปล่าถ้าท่านเป็นเทวดาท่านก็มีบุญพอที่จะไม่ต้องมาใัยบุญของพวกท่านก็จะไม่มารอรอบมาขอบุญจากเราถ้าท่านไปอยู่ในนรกนี้แล้วก็ออกมารับบุญไม่ได้ จะรับบุญนั้นถ้าเราเป็นขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณที่เราเรียกว่าเปรตพวกนี้จะเป็นขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณพวกนี้เป็นพวกที่เวลาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทําบุญไม่มีบุญติดตัวไปพอตายไปก็เลยต้องมาขอรับส่วนบุญของพวกแล้วก็ถามต่อครับว่าแล้วเราจะกรวดน้ำํำเราควรจะพูดอย่างไรเพื่อให้คนตายได้รับบุญครับ ก็พูดเหมือนกับที่เราพูดนี่แหละก็ขอทิดบุญส่วนนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่รองรับไปละคันงนี้ก็จบนะไม่เราใช้น้ําก็ได้น้ำเป็นเพียงแต่เป็นตัวอย่างของบุญบุญมันเป็นนมามธรรมเราไม่สามารถมองเห็นได้เขาเลยเอาน้ํามาเปรียบเทียว น, นี่น้ำนี่คือบุญเราเทาน้ําออกจากภาชนะหนึ่งก็เหมือนส่งบุญจากใจเราไปสู่ใจของผู้รอดผู้รอ อ, อีกอีกใจหนึ่งก็เลยมีการใช้ภาชนะ แล้วก็มีน้ําเทจากภาชนะหนึ่งไปสู่ภาชนะหนึ่งอันนี้เป็นการสาธิตบุญที่เป็นนมามธรรมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาก็เลยเอาน้ํามาเป็นตัวแทนเป็นของบุญให้เราได้เห็นว่าออตอนนี้เรากําลังสง่งบุญจากใจเราไปสู่ใจหนึ่งนะด้วยการเทน้ำํำแต่บุญเป็นน้ํามันไม่ได้เป็นบุญหนอก <Okay. S 1> คุณติเล็กครับ ลูกเรียนมหาลาัยปีสี่ชอบนอนดึกบางครั้งถึงเช้ามืดเล่นมือถือสอนแล้วไม่เชื่อจะใช้ทําบทไหนสอนดีครับรู้สึกว่าเป็นทุกข์กับเรื่องนี้ครับก็เบกขาเมื่อเราสอนแล้วเราทําหน้าที่แล้วถ้าเขาไม่ทําตามเราเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ที่เราทุกเพาเราอยากให้เขาทาตามที่เราสอนแต่เขาไม่ทําตามแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องวางเฉยถ้าเราไม่อยากจะทุก แเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอนัตตาก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถสั่งให้ทำตามตาที่เราต้องการได้คือสีห้าปกติไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยแต่สงสัยว่าถ้าทานอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผิดสีไหมครับคือจะว่าไม่ผิดก็ไม่ได้เพราะมันมีแอลกอฮอล์อยู่แม้แต่ข้าวหมากนิดผ้าก็ฉันไม่ได้ เข้ามาที่มั น, ม, น, ม, น, ม, นมันมันเหมือนกับมันบัปว่ามันทําให้มันเป็นของบึนเา ม, มาขึ้นมาก็กินไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็บาปเพียงแต่ความจริงการเดื่มดินสุลานี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นบาป ท, ที่แท้จริงมันเป็นอบายมุกเป็นตัวที่กระตุ้นให้ไปทํำบาปได้ง่ายถ้าเราทําถ้าเราเดินสุลาแล้วเราไม่สามารถควบคุมใจเราได้สติเราไม่มีกําลังพอ มันไม่ทาให้เราไปทำบาปได้ง่ายเวลาเราก็คิดไม่ดีพูดไม่เราก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีไปแต่ถ้าเราไม่เดือดชุราเรามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์พอเราคิดไม่ดีเราก็รู้ทันแล้วเราก็พอจะไปพูดหรือไปทําอะไรไม่ดีเราก็จะยับยั้งได้ถ้าหนึ่งห้ามให้เดือดชุราเพื่อเพื่อที่จะได้ทําให้เราทำบาปได้ยากขึ้นนั่นเองคุณสุพินยาครับ พระเดินบินธบาตสี่รูปได้ไหมครับวัดแถวบ้านไม่ยอมไม่พระสี่รูปเดินบินธบาตแต่ละสายครับชาวบ้านบางบางบางบางคนเขาไปคิดว่าเป็นการพะมาสวดผีให้กับเขาเพราะเวลาที่บนพระสวดศพซึ่เขาจะมีพระสี่รูปสุนทรภิธรรมเอานถ้าพระสี่รูปมาบินธบาตที่บ้านเขาเหมือนก็ว่าจะมาสวดให้เขาเหมือนก็ว่าเขาตายแล้วก็จะมาสวดให้กับเขาสวดศพของเขาอย่างงี้ย เราะเลยไม่อยากให้มีภาพาสี่รูปเคยเจอเหมือนกันรู้สึกเคยตามที่มาวัดยานใหม่ๆก็รู้สึกก็ม่อ ย, อยู่ชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งก็บอกอย่าอย่ามาสี่รูปเนะโอ้เพราะเขาถือว่าเป็นการมาสวดศพนยถ้ามีภาพสี่รูปทํากิจกรรมอะไรทั้งเย็นเวลาที่เขาไม่ไปงานศพนี้ก็จะมีภาพแค่สี่รูปใช่ไหมคะ ถ้านรกสวรรค์มีจริงแล้วคนศาสนาอื่นเขาจะตกนรกขึ้นสวรรค์ที่เดียวกับเราหรือเปล่าครับเหมือนกันก็นที่ใจนะนี่แหละสวรรค์นรกอยู่ที่ใจของเราบาปก็ใจเขาเป็นผู้ทําบุญก็เป็นใจใจของเขาเป็นผู้ทำํำผลเืก็เกิดที่ใจของเขาทํายังไงจะนั่งสมาธิได้ครับขี้เกียจตัวเท่าโลกครับก็ต้องฝึกสติก่อนพนยะายามฝึกสติทั้งวัน เวลาเราลืตาขึ้นมาจะใช้สติแบบไหนก็ได้ใช้คําบริกรรมพุโทโธก็เป็นการฝึกสติแบบหนึ่งหร่อจะคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายตลอดเวลาก็ได้พวกอย่างนี้แล้วเราจะคอยควบเราจะการไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อง น, นี้ได้ถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่นกงก็ ง, ง่ายเสียงา่ายนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจไปหรือบริกรรมพุโทโธไปใจก็จะสงบได้ภายในห้านาทีสิบนาที ถ้าแผลเมตตาแล้วน้ำตาไหลตลอดอันนั้นใช่ปิติไหมครับไม่รู้เหมือนกันครัอันนี้เราไม่ทราบมันปิติหรือเปล่าจะเป็นรก็ไม่เป็นก็แล้วแต่มันก็ไม่สําคัญอะไรก็ระวังเป็นน้ำตาเราไปคุณโทนี่ครับเห็นความจริงว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นจากตัวเขามันเกิดขึ้นไปเป็นตามธรรมชาติไม่ห้ามไม่ให้ถือตัดความมีตัวตนเสียมันก็ไม่มีอย่าไปยึดอะไร กับท่านพระอาหารหันต์หรือพระอะไรขอให้ยึดถือสิ่งที่ดีคือตัดความยึดมั่นถือมั่นออนี้คอมเมนต์ครับาแม่ติดการพานันเป็นหนี้ซ้าๆต้องทำใจอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของแม่ไปถ้าเราต้องไปใช้หนี้ให้แม่ก็เราต้องนาจะต้องมีกรอบมีกรอบว่าถ้าเป็นหนี้ มากเกิไปแล้วก็จะไม่ขอเป็นผู้ไปรับชดใช้ให้หรืออาจจะบอกว่าครั้งนี้จะใช้ให้เป็นครั้งสุดท้ายค้งต่อไปนี้ไม่สามารถที่จะช่วยชดใช้นี้แล้วนะก็ต้องมีการมีการยับยันว่าไม่งั้นถ้าปล่อยให้ทบตามใจมันก็จะลาบปามไปเรื่อยๆะอันนี้ก็จะไม่แค่ปัญหาแต่ถ้าเราขีดเส้นว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยจ่ายนี้ให้ครั้งต่อไปนี้ เมื่จ่ายไม่ไหวแล้วก็พูดไปครมีผู้ถามว่ายากไหมครับมีชีวิตถ้าไม่มีทุกข์ครับตามปัจจุบันมันก็ยากนะเพราะความอยากนี่มันสร้างความทุกข์ให้อย่างแสนสาหาัสเวลาอยากจะกินยาอยากดื่มยาที่เราเคยชอบเคยแล้ไม่ได้นื่มไม่ได้กิ น, ม, น, ก ม, นกมันก็มันก็รู้สึกทุกข์แต่ก็เราฝึกไปเรื่อยๆ มีสติมีอยู่นวายขามากขึ้นไปเรื่อยๆเอาไปความอยากก็มันก็จะอ่อนกาลังแล้วหมดไปได้พอไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาลบปนใจต่อไปบุญที่เกิดจากการถวายปัจจัยสร้างห้องน้ําในวัดจะได้บุญน้อยกว่าการสร้างกุฏิสร้างพระอุโบสถไหมครับไม่หรอเท่ากันท่านเป็นจํานวนเงินเท่ากัน คุณพระวสะสวรครับภัรษะหกจะลดยังไงครับก็อย่าไปสัมผัสมันเลยพยายามสำนวมอินซีตาหูจบูกเล่นกายใจอย่าไปดูอยา่อยาไปฟังอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าสัมผัสทางใจก็ใช้สติคอยคอ ย, คอยรับความคิดปรุงแต่งต่างๆ พระอาจารย์มีหลักข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธการ CPR หมายถึงการปั๊มหัวใจอย่างงี้ครับอาจารย์หรือโนเมดิเคชันไหมครับเพราะบางคนคิดว่าเป็นบาป ค, ครับ อ, อ๋อมันไม่บาปหรอกมันเป็นการเป็นการรักษาร่างกายแต่ว่าบางคนเห็นว่ามันเป็นการทรมานมากกว่าเพราะว่ายัางไงก็ต้องตายอยู่ดีก็เลยไม่อยากที่จะฝืนธรรมชาติปล่อยให้มันถ้ามันหายใจเองไม่ได้ก็ ไหวมันอยุดหายใจไปไมนต้องไปกระตุ้นมันหรืออะไรแต่บางคนก็อาจจะคิดว่ามันยังทันทียังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายมันอาจจะมีมีอะไรมาขัดข้องทาให้มันอยู่หายใจชั่วคราวถ้าเราปลั่งหัวใจแล้วมันก็อาจจะกลับมาเต้นเป็นปกติแล้วยังอยู่ต่อไปได้เป็นปกติอันนี้ก็แล้วแต่ความความคิดคุณแต่ละคนก็ทําได้ไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อยู่ที่เหตุผลมากป่าวทำดีแล้วไม่ดี ถ้าทำแล้วมีโอกาสฟื้นกลับมาปกติได้ก็ควรจะทำใช่ไหมครับหมอใช่ครับแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ฟื้นแล้วกลับมาแยากกว่าเดิมทําไปแล้วมันสายไปทลัดสมองมันเริ่มไม่ทํางานแล้วกลับมาถึงแม้จะยั ง, ย, ง, ย, ง, ย, งยังมีดอกหายใจอยู่แต่ก็เป็นเอามาพึ่งเอามาพาไปอย่างนั้นก็อย่าไปอย่าไปก็ต้นมันกลับมาดีกว่าหวานมันไปดีกว่าก็ต้องดูภาวะของร่างกายว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหน ถ้ายังพอฟื้นฟูได้กลับมาเป็นปกติได้ก็ทําไปแตถ้าทำแล้วมันไม่มีทางที่กลับมาเป็นปกติก็ไหวให้มันไปดีกว่าการแพทย์ก็เห็นประมาณนี้ครับอาจารย์อเห็นมะลงมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเงี้ยก็ก็ไม่ควร่ะในครนับควมันไปดีกว่าครับคุณรัตนาครับเวลาป่วยทําไมนอนมากๆจะแก้ยังไงครับขอคําแนะนําครับ หนอยป็ยังไงอาจจะรู้สึกรู้สึกแบบทุกข์อะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับทุกข์อันหนอยนะครับก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเวลาป่วยเราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมความอยากมันก็สร้างความอุดรัดให้กับเราอยากไปทํานู่นทํานี่ก็ไปไม่ได้มันก็ทำให้เราเป็นความรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาป่วย ถ้าเวลาปุถ้าเราเข้าสมาธิเป็นนั่งสมาธิได้แเรวก็เข้าสมาธิไปแล้วก็มีความสุขได้ทั้งๆที่ร่างกายยังป่วยอยู่เราก็จะไม่มีความรู้สึกทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างไรจำเป็นจะต้องตั้งนโมก่อนสวดมนต์ทุกครั้งไหมครับอันนี้มันเป็นธรรมเนียมเท่านนะว่าเวลาเราสวดมนต์เรอทําพิธีกรรมอะไรเราขอให้เรา น้อมนั่นได้ถึงว่าพุทธเจ้าผู้เป็นพระมหาลมสาชานาก่อนมันไหว้ครูจะทําำเลก็นั่งมีการไหว้ครูรู้สึกว่าหยุดทํางานไม่ได้เลยเหมือนว่างแล้วจนฟุ้งครับเงินมีพอทํายังไงให้รู้สึกว่าพอแล้วทํางานลดลงได้บ้างครับชอ่สวนแดงก็เดินน้อถึงความตายก็ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ อาจจะตายภูนี้ก็ได้แต่ยังไม่กล้าจะทําันแล้วเราไปทําไปมากมายกายกองทาไมงานนะีนสเตนนี้จะช่วยลดนักความโลภได้เยะได้ผลสมควรได้ดีนะค ร, รับพยายามเลกถึงความตายอยู่ไม่เลวว่าชีวิตเราไม่แน่นอนนะมันเหมือนแขวนอยูบนเส้นได้ที่มันอาจจะขาดได้มทุกเวลานาทีไม่มีความจําเป็นว่าเราจะต้องตายตอนแก่เสมอไปเดินะไปข้ามถนนเถอะหน่อยเดี๋ยวรถนิ้งมาชนตายก็เนี มันคิดว่าการตายนี่มันสามารถเกิดได้ทุกเวลาทนาทีทุกทุกรูปแบบทุกเหตุการณ์ถ้ามันคิดอย่างนี้นะมันก็อาจจะทําให้ความรู้มันก็จะลดน้อยถอยลงว่าโอ๊ยเราหามาตัวเยอะแยะเราตายไปแล้วเราก็เอาไปเพื่ได้แป้นตบานเดียวหามาให้คนอื่นใช้นะครับหามาทําไมใช่ไหม ค, คุณวิไลถามเรื่องขันห้าอีกทีครับมี มีขันขันเดียวมีขันสี่ขันคืออะไรครับคือขันท่านนี้มันเป็นการรวมของร่างกายกับใจใจมีสี่ขันร่างกายมีหนึ่งขันก็รูปประคันร่างกายนี้เราเรียกว่ารูปประคันส่วนใจนี้มีอยู่สี่ขันพ่อมีความรู้สึกมีความรู้สึกนึกคิดมีความรับรู้มีการสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายได้มีอยู่สี่ เวทานาความรู้สึกสัญญาความจําได้หมายถึงสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณการไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาพจากร่างกายส่งมาให้ใจนั่นเป็นสี่ขันด้วยกันเป็นเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนเรื่อเป็นเป็นความสามารถของใจที่ร่างกายไม่มีร่างกายเพีงยง ม, มีแต่ตาหูจมูกนิ้นกายมันต้องอาศัยทั้งสองส่วนนี้มาทํางานร่วมกัน สวดมนต์แต่ทํางานบ้านไปด้วยเนื่องจากมีเวลาน้อยสําเร็จผลได้ไหมครับคือการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสติอย่าง <c oughs> ถ้าเราสวดไปแล้วทํางานไปเรื่อยมันก็มันก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราใจเรายังต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการสวดกับการทํางานอยู่สติที่เราพึงจะได้ความสงบที่เราพึงจะได้มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเท่ากับถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วสวดมนต์ไปเรื่อย คุณอัชลาครับลูกไปถวายของที่วัดใกล้บ้านพระท่านให้กรวดน้ําโดยใช้น้ําแต่ลูกปฏิเสธเพราะไม่ใช่แนวที่เราปฏิบัติพอลูกบอกพระท่านว่าเราอุทิศบุญในใจแล้วเหมือนท่านไม่พอใจครับก็มันก็เป็นเรื่องของมารายาทมากกว่านะถ้าเราไปทําบุญกับพระเราต้องเคารพพระท่านเป็นเหมือนเป็นครูปัญญาจารย์ของเราท่านบอกให้เราทําอะไรถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นเรื่องเสียหายเดือดร้อนะ มันเป็นบาปเป็นกรับอะไรอย่างไงก็ทําไปเพื่อให้มันเสร็จพิธีไปนะแล้วถ้าเราไม่อยากจะทําแบบนี้ก็คราวหน้าก็อย่าไปทำกับท่านก็แล้วกันเป็นไปนทำกับพระลูกอื่นถามก่อนได้ไม่กวรน้าได้ไหมคะเออท่าบอกอ้าได้ยอมจะกวนไม่กวนก็แล้ ว, ลวแต่ยอมเราก็ทําไปเราสามารถแก้ไขดวงชะตาดวงเกิดตามหลักโหราศาสตร์ได้หรือไม่ครับ มันไม่มีหรอกเป็นเรื่องของการสมมุติและการคิดปรุกแต่งขึ้นมาทั้งเองฉินตนการจริงๆนี่มันแก้ไม่ได้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่มันแก้ไม่ได้อันนี้ของตายตัวแน่นอนเราวทั้งหเป็นของที่เราปรุงแต่งขึ้นมาวาดภาพขึ้นมาเองซึ่งอาจจะเป็นไปทางที่เราวาดภาพนั้นอาจจะไม่เป็นไปก็ได้เป็นเรื่องของจินตนาการ คุณวิไลครับเวลาไปถือศีลแปดที่วัดสามารถที่จะสวดมนต์เสียงดังได้หรือเปล่าครับช่วงสวดเช้าเย็นครับก็อยูว่าเราสวดคนเดียวเราสวดกับคนอื่นนะครับถ้าสวดร่วมกับคนอื่นครับถ้าก็ออกเสียงแล้วก็ออกเสียงกับเาําแต่ถ้าเราไปอยู่ที่บ้านของเราเราต้างจะไม่อยากจะส่งเสียงดังไปรบกวนผู้อนถ้าเราสวดไปหาย ใ, ใจได้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าสวดหาย ใ, ใจไม่ได้ยจะออกเสียงก็ออกเสียงค่อยๆเบาๆ พอเราได้ยินพอมันเป็นเสียงพุ่งพังมก็พอเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาอยู่ใกล้เราเขาต้องการความสงบหรือไม่ถ้าเราไปสวยออกเสียงล้วอาจจะไปสร้างความรบควญให้กับเขาได้กินเจได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกถ้ากินเจได้บุญพวกสัตว์ที่กินกินผักกินหญ้าก็ได้ดูญทั้งเต็ไมไปหมดวัวควายนี่ก็กิกนผักกินหญ้าเนี่ย คุณฮาวครับการที่เราทําสมาธิแล้วรู้สึกอยู่นิ่งๆจุดเดิมที่ลมหายใจเข้าออกไม่ออกไปคิดเรื่องอื่น <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้พุโทโธต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแม้จะยังรู้สึกว่าพุโทโธที่ลมหายใจเบาๆก็ทําต่อไปใช่ไหมครับใช่ถ้าเราใช้พุโทโธกับดูลมก็กทําพุโทโธกับดูลมไปถ้าเราใช้พุโทโธอย่างเดียวก็ไม่ต้องดูลมก็ได้ถ้าเราดูลมอย่างเดียวไม่ใช่พุโทโธก็ได้แม้วแต่เราจะเลือกวิธี จะต้องทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะเด่งมันจะรวมเข้าสู่ควาสมสงบซึ่งมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ไม่เคยพบมาก่อนมันจะรู้ว่าอ๋อจิตสงบแล้วน ว, วมแล้วถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ทําต่อไปเพื่อนร่วมงานเข้าใจเราผิดแล้วนําไปพูดกับคนอื่นในทางลบควรปฏิบัติอย่างไรครับถ้าถ้าปรับความเข้าใจได้ก็ไปปรับความเข้าใจกับเราถ้าปรับไม่ได้เขาไม่ยินดีที่จะฟังก็อยากจะา เรื่องที่ไม่ดีที่เขาโกกขึ้นมาไปแล้วก็ท่ามอะไรเขาไม่ได้นอกจากว่าสมัยนี้ก็มีกฎหมายแล้วนะฟ้องร้องกันได้ไหมหมินมามายนะก็ไปฟ้องร้องกันไปมันก็จะเป็นเวรเปนกา ร, รมมนต่อไปทางที่นี้ก็ปล่อยเข้าไปเลยไปทําทใจเป็นอูเบ ค, ครับปอย่าไ่มีเวรมีกรบมกับใครใครจะพูดดีก็เกี่ยวกับเราถ้าพูดล้าเกี่ยวกับเราก็เป็นเรื่องของเขามันไม่สามารถไปควบคุมกับ พ, พูดของคนได้เสมอไป แต่ถ้ามีโอกาสทําความเข้าใจกันด้านปรับความเข้าใจกันได้นก็พูดไปถ้าไม่ได้ก็ต้องปร่งไปปรุงคุณเกวารินครับเกี่ยวกับมั่งจิตมันผุดออกมาจากการนั่งสมาธิแต่ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรครับอ๋อถ้ามีคําว่ามั ก, ก็จิตนะครับคำว่ามั่งก็คือทางทางส่วนการดับพ้นของความทุกข์จิตก็คือจิตที่พูดรู้นี่มัแนแสดงว่า มรรคจิตก็คจิตที่เป็นมรรคจิตที่กําลังเดินเดินไปสู่การหยุดพ้นจากความทุกข์แต่มันไม่ได้มีความหมายความจริงอะไรมันก็เป็นเพียงแต่แค่แค่สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปอป็นนัตาเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะผุดขึ้นมาก็ลุกไปเองถ้าเรามาทําประโยชน์น่าก็ทําเอาไปทําไปถ้าทําประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันผ่านไป ให้คนอื่นใส่บาตแทนได้บุญไหมครับถ้าเป็นเงินของเราเราก็ได้ถ้าเป็นเงินของเขาเป็นจะบอกเขาพี่ช่วยสาบาตให้หน่อยแต่ไม่ได้ให้เงินก็ต้องบาตเดียวก็ไม่ได้ครับ น, นี้ถามตอนต้นรายการเมื่อกี้ครับพระอาจารย์ทำยังไงจะเลิกเล่นหวยหรือเล่น น, น้อยๆทาใจยากจริงๆจะตกนรกไหมครับก็ไม่ตกหรอกมันอาจจะทาให้เรายากจนแทนที่เราจะมีความมักคั่งาก็อาจจะยากจน วิธีหนึ่งก็เราทําแบบเป็นเป็นเป็นธุรกิจอยู่สิเราจดไว้ทุกทุนเงินว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราถูกเท่าไหร่แล้วสึ้นปีระบวกรบคูนหารดูว่าปีนี้เราซื้อหวยไปกี่ตังค์แล้วเราได้รับรางวัลกี่ตังค์ถ้าผลไม่ออกมากําไรก็เล่นต่อไปถ้าออกมาแล้วขาดทุนไม่ก็เล่นทําไมก็เหมือนทําธุรกิจไปเท่านั้นเองมันก็เป็นธุรกิจอย่าง เราทำธุรกิจที่มันเจ๊งล้วไปทํามันทําไมครับมันมีลุ้นครับอาจารย์มีผู้ถามว่าถือศี่นนะครับแต่ขายสุราบาปไหมครับไม่บาปการขายสุรานี่มั น, มนไม่มันไม่เป็นบาปมันเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะทําเพราะไปส่งเสรมิมให้ผู้่นเกิดอาการมึนเมาแล้วอาจจะไปทำบาปทำร้ายผู้อื่นต่อไปได้ ก็เลยไม่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสนับสนุนการขายโชราเป็นการสนับสนุนให้มีการเดินโชราเมืม่อ เ, เป็นการเดินโชราก็จะเป็นการสนับสนุนให้มีการะทํำบาปได้ง่ายคุณแคทครับเวลานั่งปฏิบัติธรรมและใช้บริกรรมคาถาเงินล้านบทสวดจะยาวนิดหน่อยก็จะทําให้ไม่ฟุง้งและผลในการสวดมนนี้ทําให้ชีวิตดีขึ้นในเรื่องสตินั่งได้นานและการเงินก็ดีครับ จะถือว่าเป็นการใช้บริกรรมเพราะความโลภหรือเปล่าครับถ้าเรายัางอยากได้มันอยู่มันก็เป็นความโลภพอการภาวนาปฏิทัศน์จริงๆเราต้องการที่จะหยุดความโลภหยุดความอยากต้องการทําใจให้สงบนิ่งเวลานั่งสมาธิทุกครั้งทําไมหาวทุกครั้งทั้งๆที่ไม่ห่วงครับมันก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าบทสวนมนต์และการานั่งสมาธิมันทํำให้ใจ นิ่งขึ้นสงบมากขึ้นมันก็เลยทาให้รู้สึกไม่มีอะไรมากทําให้ตื่นเต้นน่าใจมันก็เลยไปละการหาองคขึ้นมาได้คุณวิพาครับการถวายอาหารแน้นำพระพุทธรูปได้บุญไหมครับก็ยืะว่าพวกเทวดาท่านเดินได้ไหมะท่านกินได้ไหมมาถ้าท่านเนดินได้กินได้ก็ได้บุญถ้าท่านเดินไม่ได้กินไม่ได้ท่านก็ก็ไม่ได้บุญ การแผ่เมตตาสามารถแผ่ได้ตลอดเวลาเลยไหมครับต้องแผ่ตอนที่เราทานด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดเราเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาคือการสวดบทแผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่างมิเวียนกันเถิดอันนี้ไม่ได้แผ่อันจะมีการสวดนเรื่แผ่ก็คือต้องพบปะตนันคแล้วเขาทํำร้ายเรแล้วเราให้เอาให้อภัยเขาไม่จงเวีจกัน อย่างนี้ถึงเรเป็นการแผ่เมตตาแล้วการแผ่เมตตามีความสําคัญอย่างไรบ้างครับก็จะทําให้ใจเราสุขไม่ทุกเวลาใครเขาทาร้ายเราเราก็ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาแทนที่จะทุกข์หยัความโกรธแล้วใจเราก็หายโกรธใจเราก็กลับมามีความสุขมีความสงบคุณพีพีครับคาด หวังและเป็นห่วงลูกชายมากพยายามมองให้เป็นอนัตตาแต่ก็ทำยากมากควรทำอย่างไรดีครับก็ควรพิจารณาบ่อยๆว่าลูกชายเราเนี่ยก็เป็นเหมือนดินฟ้ากันเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้แล้วเราก็อยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนคนดีคนดีอะไรก็จะเกิดขึ้นกับเขาได้จะเกิดขึ้นกับเราก็ได้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของธรรมชาติของโลกนี้ เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วจิตจะค่อยสัมผัสความจริงอันนี้แล้วต่อไปมันก็จะยอมรับความจริงได้เวลานั่งสมาธิแล้วท่องพุโทโธ บ, บ่อยๆแล้วจิตนิ่งเบาเหมือนไม่มีลมหายใจแบบนี้ถูกไหมครับแล้วจะต้องทํำยังไงต่อไปครับถ้าท่องต่อไปใจกว่าจิตจะรวมรวมเข้าสูขขส่การสงบแล้วนิ่งเฉย การบริกรรมพุโทโธก็หยุดไปหายไปหรืแต่สักแต่ว่าระบบไม่คิดปุ่มแต่งอะไรคุณศศิภาลัตครับเวลานั่งสมาธิหลายครั้งจะเกิดอาการเหมือนตัวบินอยู่เหนือต้นไม้ใบหญ้าบินไปในภูเขาลำเนาคลายต่างๆลอยอยู่เหนือต้นไม้ไปเรื่อยๆพอรับรู้ถึงการมีของร่างกายการเดินทางนั้นก็หายไปกลับมาอยู่กับพุโทโธเช่นเดิมเป็นเพราะอะไรครับ พเพราะเผลอสติจิตก็เลยปุ่มแต่งขึ้นมาเป็นกานเผลอฝันในสมาธิคุณเจฮียงครับขายตะถงที่เมืองตากนะครับเป็นคนพิการตอนนี้ค้าขายไม่ค่อยดีแต่พยายามทำใจและทำใจให้ปล่อยวางเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์มองไปรอบข้างถนนข้างข้างบางคนเขาก็ทุกข์อะไรก็ยังมีครับถ้าเราไม่ทุกข์ก็เถอะ การเคล็ดแบบนี้เพื่อเพื่อลดน้ำความทุกในใจทำให้เรามีความสุขอยู่กับอยู่กับความไม่มีอยู่กับความทุกยากลำบากได้คุณอัจลาครับพระบางรูปให้เราเอาของใส่ถาดถวายห้ามยกทั้งถุงและต้องกล่าวคำถวายด้วยต้องกวดน้ำแบบใช้น้ำลินลงภาชนะ ขอเล่นถามอาจารย์ว่าการลินน้ํามาจากศาสนาครามใช่หรือไม่ครับใช่เรื่องน้ำเนี่ยส่วนให ญ, ญ่จะมาจากศาสนาครามด้วยกันแต่มันก็ชาวพุทธเราบางทีก็เอาเอาเอาข้ามาใช้ตามเรียนแบบก็ถ้านั่งสมาธิแล้วแล้วเห็นการเกิดดับของรูปนามคือธาตุไฟธาตุลมเกิดดับถือว่าได้ญาณหรือเปล่าครับ <c oughs> ไ, ได้ เราเห็นว่าร่างกายกันดำถึงจะได้ยาแต่ว่าร่างกายกลายมาแลต้องตายนั้นไม่กลัวไม่กลัวความตายไม่ทุกกับความตายถึงจะได้ยาถ้ายังกลัวความตายอยู่รู้ว่าร่างกายต้องตายแต่ยังกลัวความตายอยู่แสดงว่ายังไม่ได้ยาถ้าได้ยาจริงๆจะเห็นว่าร่างกายมันต้องตายแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไม่ไปอยากให้มันไม่ตายเพราะตัดความอยากไม่ตายได้มันก็ไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย อย่นี้ถึงจะเรียกว่ายามันต้องไม่ทุกข์เวลาได้ยาเราต้องใจเราต้องไม่ทุกข์กับมันเมื่อเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับมันไหวให้มันตายได้อย่างสบายใจนัักบพระอญญนิยานกฏธรรมชาตที่เป็นหลักว่าสิ่งในด้นคการขับขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาแท้ก็หมายถึงร่างกาย ใจมีการเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไปยอมรับความจริงอันนี้ใจท่านก็ไมณชุกข์กับมันต่อไปอาจารย์ครับแล้วอย่านนี้เวลาที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องเกิดขึ้นเป็นระยะระยะหรือยอยู่ตลอดไปได้นหมครับก็เหมือนเราคุณมอครัอ่านหนังสือเรื่อยอ่านอะไรไม่เข้าใจนะพยายามอ่านไปเรื่อยๆคบคิดไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งว่าร้อง อ, อ๋องกันนะเออเข้าใจแล้ว เราเข้าใจแนละ้วมันก็จะไ ม, ม่ไปจากใจต่อไปสิ่งที่เราเข้าใจแล้วคุณมาริสาครับอยากให้พระอาจารย์ให้กําลังใจผู้ใกล้าตายและขอพระอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องใช้ร่างกายปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระศาสดาครับเอ่ก็ต้องคอยเตือนใจสนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผููเป็นเจ้านายของร่างกายนาใช้ร่างกายทํำลายต่างๆ ่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราตอนนี้นร่าตายเขาใกล้จะหมดสภาพแล้วเขาจะขอลาออกจากงานแล้วก็ต้องไหวให้เขาไปให้คิดแบบนี้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีวันตายให้คิดอย่างนี้ต้องแยกใจออกจากกายให้ได้อันนี้แยกด้วยปัญญาแตมันจะไม่ค่อยมีน้ำหนักถ้าเรามีแยกด้วยสมาธิก่อนได้เราสามารถแยกด้วย ในการเข้าสมาธิใจปล่อยวางร่างกายอย่างจริงใจอย่างจริ ง, ง, จ, รงจังนะพอออกมาจากสมาธิพอใจกลับมารวมอยู่ร่างกายก็ใช้ปัญญามาคอยแยกอีกทีหนึ่งคนที่มีบุญคุณกับเราแต่วันหนึ่งเขามาด่าลูกเราแบบเสียหายเราเลยไม่คุยกับเขาอย่างนี้เราบาปไหมครับ ไม่บาหรอ ก, กเราไม่ไปพูดรายกับเขาไม่ได้ไปพูดปดพู ด, พดทําร้ายเขาไม่บาปแต่ละอาจจะขาดความกระตันอยู่ไปก็ได้เราเรียนบุญคุณเขาที่เขามีกับเราเราควรจะรู้จักแยกแยะว่ามุญคุณก็เรื่องของบุญคุณการกระทําของเขาที่ไม่ดีก็เรื่องของเรื่องของเขาแยากกันให้มันเป็นคนละประเด็นมันมาลบร้างกันไม่ได้ มีผู้อยากรู้ว่าแยกธาตุแยกขันธ์ได้หรือยังจะมีวิธีสังเกตอย่างไรครับก็เนี่ยอย่างที่อธิบายทางแยกใจออกจากร่างกายก็แยกธาตุแยกขันธ์เนี่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรนต่างๆใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่เจ็บตายแต่ใจเป็นของที่ไม่ตาย จิต ใ, ใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับความตายของร่างกายเพราใจไม่ได้ตายในร่างกายที่ใจตื่นเต้นตอกใจเพราะใจไม่รู้ว่าใจใจเป็นใจใจไปคิดว่าใจเป็ น, นร่างกายทั้นแล้วเรามาสอนความจริงให้กับใจคุณนิดครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่างเหมือนอยู่ในอาวากาศเกิดจากจิตสงบหรือกําลังสติยังอ่อนอยู่ครับถ้ามันเหมือนอยู่ในอาวากาศก็แสดงว่าจิตกําลังว่างนะ อกาศก็คือปราชญ์ความคิดปรุงแต่งปราจากอารมณ์ต่างๆศีลแปข้อสามส 8, 3, อพรรมมจรัยยาทํางานได้ไหมครับได้ไมันไม่เกี่ยวกับทํางานและไม่ทํางานเภรามมัจจัยยาคือไม่ให้ร่วมหลับนอนไม่ให้ร่วมเพศกันแล้วลึกถึงความตายตลอดเลยทําให้ไม่อยากทําอะไรเลยครับ ท, ทําอันนี้ก็มากเกินไปอันนี้ก็มากเกินไปก็หยุดนี เพราะว่าเรา ไ, ไว้เพื่อเบรคความโลภความอยากจะอยู่ไปานานๆที่ทําให้เราเครียดกับความตายได้แต่พอมันเราพอมันไม่เครียดกับความตายไม่ไม่มีภามโลภอยากจะทําอะไรไเร า, าก็หยุดได้เพราะเพราะว่าเรายังต้องมีหน้าที่ต้องดูแลแรืองดูหน้นกากลาต่อไปถึงในขณะที่มันยังไม่ตายอยู่แต่เราต้องรู้จักดูแลมันให้มันอยู่ในกรอบของความพอดีกับความเป็นจริง เมื่อมันยังไม่ตายเราก็ต้องดูไลนมันไปแต่อย่าไปคิดว่าเราต้องดูไลให้หมแม่ตายเลยมันซึ่งมันเป็ตายไม่ได้มันนี้มากเกินไปคุณอีฟครับพอวันหยุดก็สามารถทําใจให้สงบจากการมได้แต่เวลาต้องทํางานต้องเจอคนที่ชอบความรู้สึกชอบก็กลับมาอีกอย่างนี้จะต้องทําอย่างไรครับต้องพยายามนึกถึงความไม่สวยงามของร่างกายของคนนึกถึงอาการ312 พิจนาการสามิบสองผมคนเนื้อคนหนังเนเอ็นกระดูกกระโครงกระดูกถ้าเราสามารถมองเห็นโครงกระดูกของคนได้ความรักความชอบในด้านการควรจะลดเบาลงมากมองไม่เห็นโครงกระดูก ข, ของเขาแล้วก็เลยไปหลงรักเขาผีหรือวิญญาณมีจริงไหมครับก็อย่างที่เคยตอบว่าผีจริงไม่หรอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือวิญญาณ คนตายไปแล้วาจนี่ก็จะเป็นดวงวิญญาณไปแล้วก็ไปอยู่ตามพบภูมิของเขานี่คือผีจริงผีจริงจะไม่มาคอยมาหลอกเราแต่ผีที่หลอกเราเกิดจากความจิตปุงมแต่งของเราเองเวลาไปอยู่ที่ไหนสงบเงียบหน่อยนะเพอได้ยินเสียงอะไรป๊๊บขึ้นมา้วคิดขึ้นมาผีมาแล้วอผีปอม คุณมิสแอนครับตอนนั่งสมาธิมีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดนึกถึงครูบาอาจารย์ช่วงที่จิตได้อุเบกขาไม่สนใจเสียงรอบตัวถึงแม้ยังได้ยินอยู่ก็ตามและเห็นแสงสว่างไปเรื่อยๆครับมันกเน็เป็นผลที่เกิดจากการที่เรามีสติ้าให้จิตเนื่องเฉยปล่อยวางได้ก็ดีพยายามให้รักษาให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเวลาออกจากสมาธิมาก็พยายามรักษาให้เป็นอย่างนี้ต่อไปได้ก็ยิ่งดี อ๋อแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบบอกว่าตอนนั้นน้ําตาไหลไม่หยุดจึต้องออกจากการนั่งแบบนี้เรียกว่าปีติหรือไม่แต่ใจไม่ได้รู้สึกว่าจิตเข้าถึงระดับสงบนิ่งขนาดนั้นและถ้าสิ่งนี้เรียกว่าปีติถ้าเรานั่งต่อไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นสมควรนั่งต่อไปหรือไม่ครับอ๋อถ้านั่งต่อไปมันก็จะว่างไม่มีอะไรเหมืออยู่เลยเห้แต่สัตว์ว่าปีติก็หายไปเหลือแต่อุเบคาตอนนั้นก็จะไม่มีไม่มีปิติไม่มีอะไรสัตว์แว่าเ ไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่ในใจใจก็จะอยู่ในสภาพเฉยๆรู้เฉยๆแต่ไม่ความสุขอย่างยิ่งฟังธรรมะหลายสายฟังแล้วใจยิ่งวุ่นวายใจเพราะบางสายบอกว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิโดยที่ไม่รู้ความหมายจะเป็นบาปครับก็ท่านไหนที่มันทําให้เราสับสนก็ลดลดการฟังดูเปลี่ยนเอาเอาแค่สายเดียวดูก็ได้ บางทีคําสั่งคําสอนนันอาจจะขัดแย้งกันบ้างซึ่งบางทีมนันอาจจะขัดแย้งกันเพราะเอาเอาเอ า, เอาการปฏิบัติขั้นต่างๆมามาชนกันก็ได้เพราะอยู่ขั้นหนึ่งเรา อ, อาจจะไม่ต้องการสวดมนต์แต่อยู่ขั้นนึ่ง อ, ยอยาจจยังต้องสวดมนต์อยู่เพราะเรามปฟังที่ที่เขาสอนไม่ต้องสวดมนต์แล้วก็แล้วก็ยังมองว่าที่นี่เขาสอนให้สวดมนต์แต่ที่นี่ทำมาไม่สอสนไม่สวดมนต์เพราะมันคนละขัข้นกัน ขันที่นั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์ขั้นที่ยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนเพื่อให้สร้างสติขึ้นมาให้มีกําลังพอที่จะนั่งสมาธิได้ถึงจะถึงยังไม่ต้องสวดมนต์เพราะฉะนั้นมันบางทีเราก็ศึกษาอะไรเราก็ต้องเอามาพิจารณาถ้าท่านในนี้การขัดแย้งกันเราก็อาจจะต้องต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไปศึกษาอย่างอื่นแทน คุณธนพงศ์ครับกายพิจารณากายยคตาสติคือการมีสติทุกอิริยาบทหมายถึงกินดื่มพูดคิดทําทุกอย่างเลยใช่ไหมครับหรือหมายถึงพิจารณาของไม่สวยไม่งามอาการ32ผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าเราต้องการจเจริญสติก็เพียงแต่ให้ลูกกับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะกินจะดื่มจะพูดจะทําอะไรให้มีสติรูยอยู่ของการ ก, กระทําเหล่านั้นเพีนยงอย่างเดียว ไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริงสติแต่ถ้าเราต้าการพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายพิจารณาการสัสอ์นี่มันเป็นการเจางปัญญาคนละเรื่องกันนิพพานคืออะไรครับผู้ที่บรรลุแล้วเข้านิพพานแล้วจิตยังรับรู้หรือว่าดับศูนย์ไปเลยเหมือนเท่าฐานครับเขาจะไม่มีวันดับ นิพพานก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รับการซักพอกด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาจิตเหมือนกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สกปรกเราทํำยังไงแล้วก็ใส่เครื่องซักผ้าพอเครื่องซักผ้าซักพอกเสร็จเราก็จะได้เสื้อผ้าที่สะอาดจิตก็เหมือนกั น, วนเวลาปฏิบัติทำชําระจิตใจชําระสิ่งสกปรกที่คล้องําจิตใจคือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ เพาว่า น, นัตจิตก็เป็นจิต ท, ที่สาดโดยสุดไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนจิต ท, ที่สาดบดยสุดเราก็เลยก่คนิพานคุณอมุญยาครับวันพระอยากถือศีลแปดแต่อดอาหารเย็นไม่ได้ปกติจะทานเอนชัร์แต่มันเป็นอาหารใช่ไหมครับเป็นโรคอบก็เราถือศีอลเจ็ดไปก่อนก็ได้ถ้าศีลนะข้อแปดเราอยัางพ้อข้อหกนี้เรารักษาไม่ได้ก็ลองแขวนไปก่อน นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่สบายอันนี้ก็ต้องมีข้อยกเว้นก็ถือสินเจ็ดไปก็ได้อย่าไปถืออย่าไปว่าถ้าไม่ได้ถือข้อเนี้ยเราไม่ถือหมดทั้งเจ็ดข้อแปดข้อเลยอันนี้ก็เป็นความไม่ฉลาดของเราเองเราก็เลือกถือในข้อที่เราทําได้ไปก่อนเนี่ยแล้วก็รอจังหวะรอเวลาต่อไปพอเราทําเพิ่มได้เราก็ทําเพิ่มต่อไป ถ้าจะให้บุหรีไฟฟ้าเสรีคนที่อนุมัติจะบาปไหมครับทำให้เ ย, วยววาวชนเป็นโรคต่างๆครับมันก็มนมนไ ม, ม่มันไม่ไม่รู้เหมือนกันมันไม่บาปเพราะเราไม่ได้เป็นบังคับให้เขามาสูบบุหรีนี้แดี๋ยวเราทำให้มันสะดวกต่อการที่เขาจะได้สูบบุหรีได้คุณธนพงศ์ครับการพิจารณอาอสุภะ เป็นสมถะหรือวิปัสนาครับพิจารณาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับหรือเฉพาะตอนเกิดกำหนัดราคะและอสุภสิทพิจารณาอย่างไรครับมันก็เป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาเพราะถ้าเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเราก็จะระงับกามรมาลาคะความกำหนังยินดีในการร่วมเพลงได้พอเราชำละหยุดความกำหนัตยินดีดนจิตก็จะสงบ มันก็จะได้ทั้งสองเนี่ยได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิได้ทั้งสมถะและได้วิปัสสนาพร้อมๆกันไปสวดมนต์ในใจได้ไหมครับได้คนจะสวดมนต์ในใจดีที่สุดเดีกยวก็สวดออกเสียงถ้าสวดมนต์ในใจเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ยินไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าเสียงสวดมนต์ดังจะดีกว่าครับพเราไม่ได้สวดให้เทวดาฟังแล้วสวดเพื่อทําให้ ใ, ใจเราสงบ ทำใหใจเรามีสติการที่เราสวนไม่ออกเสียงมันจะได้ไม่ไปไปสั่งให้นาำกายต้องทำงานถ้ายัางสั่งให้ร่าำกายทํา ง, งานอยู่ใจเราก็จะสงบไม่ได้ถ้าส่วนแบบไม่ออกเสียงร่าำกายก็ไม่ต้องทำงานแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบได้แล้วการสวดมนต์นี้สามารถที่จะแผ่บุญได้ไหมครับถ้าได้ความสงบ ก็เป็นบุญแต่จะแผ่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะเพราะไม่มีไม่มีสอนในตำราเวลาจะแผ่บุญอุทิศบุญนี้แผ่ด้วยการทำบุญทำทานแต่บุญอย่างอื่นนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีในตำรานะพุทธเจ้าส่งสอนให้อุทิศบุญด้วยการทำทานเวลาผมอยู่ในที่อากาศเย็นเช่นห้องแอร์ผมจะรู้สึกว่าตัวเองจะใจเย็นมากและมีสมาธิ อยู่กับลมหายใจได้ค่อนข้างดีกว่าอยู่นในที่อากาศร้อนหรือห้องที่มีลมธรรมชาติหรือเปิดพัดลมถ้าอยู่ในที่อากาศไม่ค่อยเย็นจะรู้สึกว่าอยู่กับลมหายใจได้บ้างไม่ได้บ้างหรือบางครั้งมีความเครียดหรือเรื่องที่ไม่สบายใจเข้ามาก็จะอยู่กับลมหายใจได้ค่อนข้างยากต้องรอให้ผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนถึงจะกลับมาได้แต่ส่วนใหญ่จะอยู่กับลมหายใจได้ค่อนข้างดีในที่อากาศเย็นแบบนี้ปฏิบัติถูกหรือเปล่าและมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงครับเป็นข้อแม่ของเฉลยนิสัยของแต่ละคน บางคนชอบอากาศเย็นบางคนชอบอากาศน้อนบางคนถ้เย็นนะก็อาจจะไม่มีสติที่จะควบคุมใจไปเลยในที่ไม่เย็นก็กำมีสตินี่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าสัพพายะความสบายของของใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เป็นสัพพายะก็มีหลายอย่างอากาศนี่ก็เป็นอย่างนึงอากาศสัพพายะร้อนหน้ํบางคนชอบอากาศหนาวพวกฝรั่งก็เคอยู่ประเทศหนาวว่า แล้วข้เจออากาศเย็ยนก็รู้สึกพอนาได้ได้ได้ดีกว่าเวลาที่เจออากาศร้อนครับในพวกที่อยู่ทะเลทรายนี่พอเจออากาศร้อนก็กับดีกว่าเพราะเคยชินกับอากาศร้อนให้ความสบายะของอากาศซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ามีมีประสบาการณ์มาทางไหนเคยชอบทางไหนมันก็จะสบายในทางนั้น บุญจากการตักบาตรกับบุญนำอาหารไปให้ผู้ได้โอกาสบุญเท่ากันไหมครับถ้าเป็นอาหารปริมาณเท่ากันก็ได้บุญเท่ากันผมชมงานศิลป์ของศิลปินในสิ่งที่นำเสนอมีสีสันและสะท้อนความสวยงามแต่สอนข้อคิดหลายมิติคือทำให้คนดูเกิดปัญญาข้อคิดงานศินละปะใช่ใช้หรือไม่ครับทําเอามาดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญญา ทางศาสนาพุทธนปัญญาทางศาสนาพุทธก็คือความรู้ที่เอามาดับความทุกข์ลดความอยากตัดความอยากให้หมดไปจากใจได้คุณแมนดี้สมิธครับบอก just listening to d h a m m a in another language is also very calming and good to see good people working on themselves thank you Mandy good to see you good to hear from you again มาฟังบ่อยแหะครับอาจารย์คุณแมนดี้รู้สึกเลยจะเข้ามาทางุูงทางภาษาอังกฤษนะถ้าจาชื่อไม่ผิดน่อาจจะผิดก็ได้จไม่ได้เหมือนกับเขาฟังภาษาที่เราคุยกันเขาก็รู้สึกสงบแล้วแะครับอาจารย์เวลาพูดแบบเรีย้ยืนเรียบไม่ไดกระตุกกระตากไม่ได้มีอารมณ์ครับผม ถ้าคทําการตรงนี้ยอาจจะหน้านําหน้าแดงชี <S <S <S ้ว no ่าช oh, okay. ี้ช mm ี้ช um> ี um> ้อะไรกันแล้วก็ได้ครับผนเมือนเหมือนสภาเี่ยเราไปฟังคนคุยในสภาหรือจะรวมๆไว้ก็ได้โอ้โหลอชี้หน้ากันอะไรกันแต่ผมได้ได้พูดบ้างแล้วครับอาจารยอธิบายแต่ผมอธิบายอย่างเรียบร้อยเลยนะครับอาจารย์ต้องเป็นสุภาพมรุษครับผม เราใช่เหตุผลเราคุยกันด้วยเหตุผลเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นเบลาชาหที่ใช้พลังใช้กําลังครับผมแล้วก็ผมเสนอเรื่องพิพายอะไรก็ทําอย่างที่อาจารย์สอนครับคือเสนอในสิ่งที่ดีงามสําเร็จก็ได้ไม่สําเร็จก็ได้ครับใช่เราทําได้เท่านั้นนะคุณภาพาวีครับพยายามตั้งมั่นสมาธิ นั่งไม่สบายแต่พอคิดว่านั่งไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นใจกลับสบายตัวเปบาได้เองครับใช่เพราะวาความอยากให้มันได้ผลมันจะทําให้ใจเราเครียขึ้นมาให้นนั่งไปแล้วอยากไปอยากได้ผลขอให้เราทําหน้าที่คือนั่งไปเรื่อยๆก็แล้วกันนั่งด้วยสตินะมีส ต, นะสตินั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมมันก็จะเกิดขึ้นเองแต่พออยากให้มันเกิดผลนี่มันจะมามาบล็อกทันทีเลยบล็อกผลทันทีแทนที่ใจจะสบายกับเครียดขึ้นมาทันที การที่เราบอกบุญเป็นสะพานบุญให้คนอื่นทําบุญร่วมกับเราผลบุญจะเป็นอย่างไรครับเป็นสะพานก็เราก็เป็นเหมือนเป็นสื่อ น, นั่นเองนะเป็นสื่อทําให้ผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะได้ได้เข้าถึงธรรมะก็จะเรียกว่าเป็นการทำํทำธรรมทานก็ได้ให้ธรรมะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็ได้ พระไปบอกปวานาให้อดีตลูกน้องหรืออดีตลอลูกศิษย์ทางโลกมารับใช้อุปถาคแบบนี้ทำได้ไหมครับผิดศีลไหมครับก็อยู่ที่ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าไม่ว่าเขาปวานาตัวเขาไม้ก่อนหรือเปล่าเช่นก่อนที่เราจะไปบวชเขาบอกว่าถ้าท่านต้องการให้ผมมาช่วยนีไยก็ยินดีบอกได้อันนี้เขาไม่เไม่ผิดศีล เพราะจะห้ามไม่ให้พาไปขอไปรบกวนผู้ที่เขาไม่ได้เป็นญาติหรือผู้ไม่ที่ไม่ได้ปาาร า, ารถนาตัวไว้ล่วงหน้าก่อนแท้จริงแล้วการฝึกกำหนดลมหายใจคือการฝึกกำหนดจิตสุดท้ายก่อนเราจะออกเดินทางใช่ไหมครับมันก็มันก็ความจริงมันการฝึกสติเพื่อทำใจให้สงบหนึ่ง แล้วเวลาเราจิตสุดท้ายใจเราจะได้เนื่เราจะได้ไม่ทุกข์ไม่บ่นวายใจคุณโอลิฟครับเราจําเป็นต้องพยายามเดินทางไปกราบครูบาอาจารย์เพื่อฟังเทศฟังธรรมที่วัดไหมครับหรือเราดูแค่และฟังจากออนไลน์ก็ได้เหมือนกันครับก็ถ้าเราสามารถที่จะฟังและเข้าใจก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปฟังต่อหน้าทา่านสมัยก่อนไม่ได้มีเสื่อย่างสมัยนี้ สมัยตอนที่เราบวชใหม่ๆมันก็ไม่มีสื่อแบบนี้คนอยากจะฟังเทศกุบ า, าจารย์ก็ต้องถอไปไปที่วัดไปรอให้ท่านเทศให้ฟังแต่สมัยนี้มันมีการจด บ, บันทึกไว้ในสื่อต่างๆมันสามารถเปิดปดูดบิดูฟังได้ตลอด24ชั่วโมงก็ไม่มีคำจะเป็นจะต้องไปแต่คนบางคนก็ยังมงความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันมีญาติโบางคน่าฟังที่บ้านกับฟังที่วัดนี่มันไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะบรรยากาศที่ฟังมันไม่เหมือนกันก็ได้เพราะวันที่วัดบรรยากาศมันอาจจะสงบมากกว่าแลวคนที่ฟังก็ทุกคนก็นั่งนั่งอยู่ในควาสสงบมันก็เลยทำให้เราต้องนั่งอยู่ในความสงบด้วยอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจะฟังแล้วคนนี้คนนี้ก็เดินไปเดินมาอะไรทำนู่นทำนี่มันก็อาจจะทำให้เราไม่มีความรู้สึกที่จะจะมีความสุขจากการฟังเหมือนกับการที่มาฟัง ท, ที่วัดก็ได้ อันนี้แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราฟังที่ไหนก็ได้แล้วเราได้ความรู้ได้ปัญญาที่เอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ได้ก็ถอว่าใช้ได้เหมือนกันนั่งสมาธิแล้วเห็นงูใหญ่เลื้อยขึ้นมาที่ตัวตกใจกลัวมากจนไม่กล้านั่งอีกเลยครับเขาไม่มีสติไงนั่งแบบเพ้สติได้อยู่กพุดโธอยู่กับลมายใจในภาพต่ตางๆ่า น, นี้ยังไม่เกิดขึ้น เรานับถือศาสนาพุทธอยากสวดมนต์หยาบทำบุญแต่ทําไม่ได้เพราะอยู่บ้านคนคริสแค่คิดได้บุญไหมครับก็ได้นิดเดียวถ้าคิดจะคิดได้ปั๊บเดียวไม่ได้บุญปั๊บเดียวคุณกิกครับดิฉันมักจะเลือกของไปถวายสังฆทานคือน้ํายาสำหรับซักจีวรกับสบูลเลวคือทางโรงงานเขาบอกว่าสําหรับพระและนักบวชแต่ลองดมดูมีเจือกลิ่นอ่อ น, ออน พระท่านสามารถใช้ได้ไหมครับพระเพราะยังหาแบบไม่มีกลิ่นไม่ได้กับโลออนสานส้มแบบไรกลิ่นสําหรับดับกลิ่นตัวอันนี้สามารถใช้ได้ไหมครับก็แล้ว<ข><า>แต่ว่าท่านจะเคร่งมากเคร่งน้อยบที่ท่านไม่ใคร่งมากเมื่อมันไม่มีของที่ไม่มกีกลิ่นมันมีแบบนี้เขาถวายมาแบบนี้ก็ใช้มันไปแต่ถ้าที่ท่านเคร่งมากท่านก็มาใช้มันไปใช้แค่น้ำเปล่าก็ได้ซักแบบไม่มีไม่่อไม่มี ขอซักพอกไม่มีน้ำยาซักเหมือนสมัยก่อนที่ว่าตัดมันตัดเวลาซักกี่วันเราก็ไม่ได้ใช้พวกน้ำยาอะไรนี่เราใช้น้นําร้อนต้มน้ําร้อนแล้วก็ตักน้ำร้อนมาใส่กระละมังแล้วเราก็ผ้าที่เราจะซักเข้าไปคเคยๆเ ข, ข้าไปในกระละมังแล้วขยุ้มันเอาให้มันาช่น้ำร้อนเอามันออกมาท้านั้นก็เสร็จไม่ได้ใช้แับไม่ได้ใช้น้ํายาใช้น้ําร้อนใช้น้ําต้มจะแจกสนุน เพราะน้ำแขงกันนุมมันมีสีที่จะรักษาให้ภาพเป็นสีกัดครับผมเราต้องซักบ่อยไหมครับอาจารย์ที่นั่นทำที่ว่าจะกำหนดวันแล้วให้ทำพร้อมกันเดียวทั้งวันเลยก็ประมาณสองาทิตย์ครั้งหนึ่งรู้สึกค่อดจยาวันปาฏิโมกนี้อนะ่ะแล้วก็ซักผ้ากันสักครั้งหนึ่งทุกทุกสิบสี่วันสิบห้าวัน แมวเป็นโรคหัวใจโรคไตขาดน้ำรุนแรงจะทำการลุยฆ่าดบาปไหมครับบาปอย่าไปทำปล่อยเขาตายโดยธรรมชาติของเราเรื่องเราก็ได้ตัวเราก็อยากฆ่าตัวตายถึงแม้ร่างกายมันยังไม่ตายตายก็อยู่แบบไม่สมประกอบก็ต้องอยู่ไปตามตามมีตามเกิดไปอย่าไปฆ่าเพราะการฆ่าเนี้มันทำให้ใจเราไ ม, ม่มีเจตนามีความ ความคิดล้ายต่อผู้อื่นถึงแม้เราจะเรียกว่าการหล่ยาฆ่าแต่มป็นความคิดมันก็เป็นการข้ามไม่ได้เป็นความเมตตาไมไ่เป็นความการุณามันเป็นความความกรเกลียดมากกว่ า, ค, า, นานครับคุณมรณะนันทร์ครับเวลาเราเข้าห้องพระสวดมนต์จำเป็นต้องจุดธูปไหมครับเมื่อก่อนจุดทุกครั้งแต่ตอนนี้ไม่ได้จุดเพราะกลัวลืมดับครับไม่จำเป็นอ่ะธูปเทียนจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ ร่างกายเป็นสังขารคือการปรุงแต่งคือตัวยุยงหรือครับเพราะไม่ใช่คําว่าสังขารนี่แปลได้หลายความหมายสังขารมัแปลว่าเป็นความคิดปรุงแต่งก็ได้สังขารแปลว่าเป็นร่างกายก็ได้มัคนละคนละอย่างกันคนละอนกันสังขารความคิดปรุงแต่งนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในร่างกายสังขารที่เราเรียกว่าร่างกายนี่ก็เป็นร่างกายมีคนละอันกัน ท่องพุโทโธในใจแล้วรู้สึกมีอาการกระตุกเพราะอะไรครับครัรู้เฉยๆว่ามีอาการกระตุกไปอย่าไปสนใจแล้วก็ท่อต่อไปก็แล้วกันใจยังไม่สงบมันก็ยังอาจจะมีอาการกระตุกขึ้นได้บ้างาเป็นครับเวลาทํางานไปแล้วสวดมนต์อิติปิโสแล้วไปด้วยได้บุญไหมครับถ้าใจไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญนะ คุ่สวดให้สงบจิตนิ่งสงบเข้าสมาธิได้ถึงีะได้มีได้ความสุขที่เกิดจากการสวนมาตคุณเลนูครับบอกว่าหนูทุกข์มากแต่ฟังพระอาจารย์แล้วใจหนูดีขึ้นมากเลยครับในมาขอบคุณพระอาจารย์นะครับาหายทุกหายเศร้าถ้าพ่อแม่ทำอาชีพผิดศีลข้อหนึ่ง เราควรจะห้ามเขาอย่างไรพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจและหยุดทําแล้วจะได้ไม่บาปครับออถ้าเขาไม่ฐานเราเราไปบังไปสอนพ่อแม่ไม่ได้หรอกพ่อแม่มีหน้าที่ถ้าท่านเป็นครูของเราเราไม่ได้เป็นครูของพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่อยากจะรู้ว่าทําบาปนี้ดีไหมไม่ดีเราก็บอกท่านได้แต่อยู่ในนี้อย่าบอกพ่ออย่าไปทําในนะมันบาปตกนรำลกเดี๋ยวท่านก็จะล สอบทำแล้วลูกคนนี้ก็เลยถามว่าแล้วลูกบาบไปด้วยไหมครับที่พ่อแม่ผิดสิ่งข้อนหนึ่งไม่บาบบาบใครบาบมันของใครของมันกรรมใครกรรมันคุณประพันธ์ครับผมเคยได้ยินเขาพูดกันว่าถ้าปลูกบ้านแล้วต้องมีสารภูมิจะทําให้ครอบครัวมีค ว, มความสุขจริงหรือไม่ครับและจําเป็นต้องมีไหมครับถ้ามีในทุกบ้านในประเทศไทยหรือเปล่า ปลกคอนนี่มีสา ร, รพัดภูมิในคอนโดนถ้ามีต้องแต่ละห้องก็ต้องมีสา ร, รพัดภูมิอยู่ในห้องแต่ละห้อง ม, มันเป็นความเชื่อมไ ม, ม่ความจริงหรอกถ้าเราเชื่อเราก็ต้องมีถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ต้องมีที่บ้านผมก็ไม่มีครับดีเชื่อมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำของเรา เคยนั่งสมาธิได้ยินเสียงคนมาเรียกเสียงเบาเปิดไปเปิดประตูไม่เห็นใครควรจะทําอย่างไรครับรพิจารณาว่าเปนอนิจจันตุกัารณาตาแบบมันเปมันเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไปกําหนดบังคับมันไม่ได้ให้รู้เขาว่ามันเป็นแค่แค่ปรากฏการอย่างนั้นท่านเองมันไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดคุณอัมพรครับ เวลาใส่บาทพอพระท่านให้พรเราสามารถอุทิศส่วนบุญขนาดนั้นเลยได้ไหมครับได้ทันทีไม่ต้องรอให้พระให้พรก็แล้วมันไม่เกี่ยวกันกองเราเริ่ันการให้พรของพระเป็นการแสดงธรรมว่าทําบุญแล้วจะได้อะไรมากได้ความสุขวามเจริญสามารถแบ่งบุญที่ทําทีใ่ให้กับผู้รุ่งรับไปแล้วได้นี่คือคําแปลของบทที่ท่านสวดท่านึ่งแต่บุญนี้มันเกิดจากการทําบุญของเราจากการใส่บาทของเรา เราสามารถทิ้นได้ไม่ว่าพระจะให้พรหรือไม่ให้พร ไ, ไม่เกี่ยวอะไรเพราะเราไม้เป็นเราจะแผ่บุญกุศลส่งให้แม่ที่จะผ่ า, ต, า, า, ผผาตัดดวงตาได้ไหมครับก็ไปอยู่ใกล้ๆท่านให้ความสุขกับท่านทาให้ท่านให้กําลังใจกับท่านคุณชัดชัยครับพระที่ท่านเดินทุ ด, ดงตามข้างทางแล้วชอบโบกรถที่ผ่านไปผ่านมาแล้วของเงิน ผิดศีลไหมครับเราควรจะจอดรับท่านไหมครับก็การขอจากผู้ที่เขาไม่ได้ปภาวนาตัวก็ผิดแล้วผิดคนนะส่วนนจะรับไม่รับก็แล้วแต่ความพอใจของเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ทําอาชีพสวนปาล์มและทําฟาร์มกุ้งขายครับเป็นบาปไหมครับถ้ากุ้งที่เราทำแล้วไปขายแล้วข้าไปฆ่ามันก็นั้นก็มีส่วน ส่วนในการทําความบาปแมอเราไม่ได้ฆ่าเองก็ตามแต่เราสนับสนุนให้เกิดนนการฆ่าขึ้นมาไม่ควรทำอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตของผู้คุณตะวันครับคําว่าใจคือผู้รู้ผู้รู้อยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับก็ตอนนี้คุณรู้บ่างเลยเวลาคนฟังอะไรคนรู้ว่าคนกําลังฟังอยู่นั่นนหละคือใจ มีแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะใจมันไม่มีรูปหน้าหน้าตาเหมือนหน้ากายเราก็เลยไปคิดว่ามันอยู่ในร่างกายความจริงมันไม่ได้อยู่ในร่างกายมันอยู่ itted, อในมิติหนึ่งที่เราเรียกอยู่ในโลกทิพย์มีแต่ว่ามันสามารถมารับรูปเสียงกลิ่นรสที่ผ่านผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายได้และสามารถสั่งให้ร่างกายไปทําอะไรได้เราก็เลยไปคิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันอยู่ที่เดียว มีคนยืมเงินแล้วไม่คืนทำยังไงให้ไม่โกรธไม่เกลียดเขาครับคิดว่าเป็นการทำบุญไปแล้วกันชงคอ้อกันแผ่เมตตาเนี่ะคือการแผ่เมตตาให้ความสุขกับเขาเมื่อคืนโดนผีอำสามตัวครับกลับมาสวดมนต์ยังไงก็ไม่ไม่ไปจะต้องทำยังไงครับก็อย่าประยาดให้มันไปแต่มันจะอยู่ก็ปั่อมันอยู่ไปมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้ คุณสุทารัตน์ครับตอนนี้ดูแลคนป่วยคนป่วยเป็นแม่สามีที่เอาแต่ใจกลัวตายไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นไม่มีความเมตตาลูกไปช่วยดูแลแต่กลับมาปวดหัวหน้าเบื่อใจร้อนขึ้นจากที่ใจเย็นลูกควรทําอย่างไรดีครับถ้าทำไม่ได้ก็อย่าทําแล้วนึงจะทำยังไงข้อสองครับลูกช่วยดูแลคนอื่นเป็นจิตอาสาช่วยคนอื่นเมตตาความสงสารใจก็มีความสุข ไม่เหมือนกันเลยครับก็นั่นแหละเพราะว่าเราเรามีความสงสารแต่เราไม่สงสารน้าสามีมันก็เลยความรู้สึกต่างกันก็ลองลองคิดว่าแม่สามีเป็นคนอื่นดูสิเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเรานั่งสมาธิเราพัฒนาก้าวหน้าขึ้นครับเมื่อมีความสุข คุณสลาวุธครับวิธีละกิเลสความหลงในร่างกายตัวเขาตัวเราจะละยังไงครับจึงจะปล่อยวางว่างได้ครับก็ต้องค่อนข้าก็ละที่ร่างกายก่อนว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เรามาใช้ทําจากดินน้ำลมไฟถ้าเวลาร่างกายตายไปมันก็กลับกลืนสูดินน้ำลมไฟแยกใจของเรา ให้ออกจากร่างกายไปก่อนนี้อพอแ ย, ยากตัวตวนออกจากร่างกายไปแนละ้วตัวตนมันก็มาอยู่ในใจอทีหนึน่งเพราะอะไรยากคิดว่าเราเราเป็นผู้คิดยังมีเราเป็นผู้คิดอยู่อันนี้เราก็ต้องมาแยากทีว่าคําว่าเรากับผู้คิดนี่มันคนละตัวกันเรานี้มัเนเพียงแต่ความคิดที่ความคิดสร้างขึ้นมาเราจริงๆมันไม่มีเมื่อเราหยุดคิดว่าความตัวเรามันก็หายไป อันนีก็ต้องแยกกันทีละทีละขั้นทีละตอนเรื่อตอนแยกโตต่ตอออกจากร่างกายก่อนแล้วขั้นต่อมาก็ว่าแยากโตต่ตอออกจากจิตอีกทีว่าโตตนเกิดจากความคิดของจิตเท่านั้นเองสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนเนื้ยเยืย่อจิตเหมือนเป็นคนแต่งเนื้อ ถ้าเราใช้จิตพิจารณาเหตุที่ไหลเข้ามาเฉพาะหน้าแยกกุศลอกุศลแล้วเลือกทำแต่กุศลจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติไหมครับก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการปฏิบัติคือละละอกุศลแล้วก็สร้างกุศลให้ถึงพร้อมคุณหนุ่มครับบอกว่ามีวิธีแก้รักษาโรคจิตเภทโรคจิตหลงผิดไหมครับก็ต้องไปอยู่กับคนที่ ควาเห็นที่ถูกต้องเช่นอยู่กับพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศึกษาจากท่านมีศรัทธาในความเชื่อในคําสอนของท่านเราปฏิบัติตามคําสอนก็มีโอกาสที่จะหายได้เคยได้ยินว่านั่งสมาธิแล้วง่วงหรือไม่เข้าภวาลคือคนที่มีเจ้ากรรมนายเวรรบกวนจริงไหมครับไม่เกี่ยวกับจ้ากรรนายเวรนะความง่วงเกิดจากการกิ น, กนอาหารมากเกินไปมันเลยทําให้ง่วง ธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นเองเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเกิดจากปัญญาเราหรือเกิดจากสัญญาครับถ้าดับความทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาถ้าดับความทุกข์ยังไม่ได้ก็เป็นสัญญายในการฝึกสติฝึกสมาธิถ้าเราฝึกโดยการที่เรารู้ว่าเราหายใจเข้ารู้ว่าเราหายใจออกเราพยายามทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ผลไหมครับ ได้ถ้าเราไม่ไปเผอไปคิดยังไนตรงนี้อยู่กับการดูลมตลอดเวลาจิตก็จะค่อยๆสงบลงความสมบงบก็จะเพิ่มมากขึ้นความเบาออกเบาใ จ, คว า, าใจความสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปจนเต็มที่ในจนกระทั่งจิตหยุดคิดปรุงแต่จิตนิ่งสงบก็จะได้ความสงบอย่างเต็มที่ตอนกลางคืนสมาทานศีลห้าแต่กลางวันทํางานปกติได้ไหมครับ คือสีนท้านี่มีไว้ในขณะที่เราเคลื่อนไหวเวลานอนนอนไม่ต้อเป็นสมาทานสี่ห้าสีเวลาหรอกเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทําบาปเราไม่ได้ทำอะไรไม่ต้องไปสมาทานสี่ห้าตอนนอนต้องสมาทานสี่ห้าตอนตื่นขึ้นมานะตอนตื่นนอนเนี่ยเพราะเราเริ่มลุกจะไปทำอะไรแล้วต้องสมาทานสี่ห้าออกมาวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์นะเราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ประคดผิดประเพนีเพราะเวลาที่เราจะทําบาปเราทําตามที่เรา แต่นเราไม่ได้ทำตอนที่เราหลับนั้นการไปถือศีล้าตอนที่เราหลับไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณอุไรรัตครับจะวางใจยังไงถ้าเราต้องอยู่กับคนติดสุราเราจะหนีก็หนีไม่พ้นได้แต่รับกรรมรอให้หมดเวรหมดกรรมครับก็ทําทใจให้สงบไปอย่าไปอยากหนีจากเขาไปเพราะความอยากหนีจะทําให้เราทุกข์ เราก็อยอมรับว่าตอนนี้เราเหมือนกับเป็นนักโทษที่เราเติดรั้งอยูในคุกก็ทําใจไปยอมรับกับสภาพของเราไปจนการมันจะหมดไปไม่กล้าทําสมาธิโดยไม่มีครูอาจารย์กลัวสิ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นครับก็กลัวบาอาจารย์ก็มีอยู่2รูปแบบคือครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถสั่งสอนพูดจาได้กับครูบาอาจารย์กับคําสอนที่ คำสอนของท่านก็เป็นครูบาจารย์เราได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเรียนจากแบบใหนได้ถ้าเรียนจากการอ่านหนังสือได้ก็มันก็ถือว่าเรายังมนครูบาจารย์อยู่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทำผิดข้อไหนบาปรุนแรงมากที่สุดครับก็ในศี่ห้าก็ข้ อ, ข, อข้อที่หนึ่งบาสนาักที่สุดก็คือการฆ่ารองลงาก็เกอการรักทรัพย์ ทำมันก็คือการปาเพิ่มปิดประเพณีลองมันก็คือการพูดปลดจิตเกิดจิตดับตลอดเวลานับจํานวนไม่ได้ได้ฟังได้ยินมานั้นถูกไหมครับก็สิ่งที่เกิดดับไม่ใช่ตัวจิตเนยแต่เป็นตัวที่เประการของจิตเป็นความคิดปรุงแต่งมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคิดเร่องนั้นแล้วก็หยุดคิดแล้วก็มาคิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อ อันนี้เราว่าการเกิดดับของจิตตัวจิตเองไม่ได้เกิดดับแต่ตัวที่เป็นอาการของจิตเช่นความคิดปรุงแต่งเนื้อโลกต่างๆเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเปลีไปเรื่อยๆผู้ชายกับผู้หญิงกําลังจะแต่งงานกันแต่อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาก่อนผิดศีลไหมครับอันนี้เรับนี้มันก็อยู่ที่ประเพณีไถ้าเป็นาถ้าทางทั้งโลกเขาไม่เถอว่าผิดอย่างมันก็ไม่ผิด ผิดประเพณีของทางโลกเปล่าซึ่งสมัยนี้อาจจะเปลี่ยนไปล้ประเพณีเมื่อ ก, ก่อนนี้กอนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์กับใครต้องเป็นสามีภรรยากันก่อนในสมัยนี้เขาบอกว่าให้ให้ให้ลองก่อนแล้วค่อยแต่งก็แล้วแต่ประเพณีทางโลกเนี่ยครับใช่ท่านท่านนักเผยศาสนาอื่นเขาก็มีอนุ ญ, ญาตให้มีภรรยาได้สามสี่คนนี่นี้เขาก็ไม่ผิดประเพณี คือประเพณีที่ทำไว้นี่เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ใจของของคู่ครองของเราไงประเพณีของเราคือเราต้องรับเดียวใจเดียวมีคนเดียวพอเราไปแอบมีคนนู้นคนนี้แสดง ว, ว่าเราผิดประเพณีนะพอเราไปสร้างความทุกข์ใจให้กับคู่ครองของเราเป็นการทําบาปไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้่นแต่ถ้าเป็นประเพณีว่าเรามีสองคนได้ครับปริยาก็าค่อยยอมรับได้ครับ เอกเขาอยยอมรับถ้าคุณมีภรรยาน้อยเขาก็ไม่โกรธว่า ม, มันเป็นประเพณีถ้าอย่างนี้มันก็ทําได้มันขึ้นอยู่ประเพณีที่ที่เราอยู่ว่า้องเข้าให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ทําตามประเพณีไปมันก็ไม่ผิดคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับปฏิบัติทำมานานแล้วจิตนิ่งมากเวลาฝันดีมากนั่นคือจิตที่เราฝึกมาดีแล้วใช่ไหมครับและเวลาเราตายไปก็จะไปแบบที่เราฝันใช่ไหมครับ ใช่ความฝันนี้มันเหมือนเหมือนอยงตัวอย่างขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆนฟังธรรมในเฟซหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนในยูหก้อยเก้าสิบเก้าในคลับหกคนในติ๊กตอกหกร้อยี่สิบเอ็ดคนมีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมพร้อมกันอยู่สองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดคนนะครับอาจารย์ครับ ว, วันนี้ก็มากพอสมควร ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังสนทนาถามตอบคำถามหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการที่จะไปบาบัดทุกข์ความมุกสนให้กับจิตใจต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมไหวเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีรขัดเข้าก็าคงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ